วันนี้เราก็มาฝึกทำอุปการะสำหรับตนสำหรับตนให้แก่ตัวเราเองขึ้นมาอีกะอะรกํกำชับกาชาให้ฟังมาแล้วจะคิดว่าแม้แต่เทพก็คงจะมาถึงใด้ฟังแล้วว่าเราจะพยายามสร้างอุปการะในทุกส่วนสำหรับเราที่เป็นเนยบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่บัวพ้นน้ํารอแสงเท่านั้นหรือไม่ใช่บุคคลที่บัวลิมน้ํารอจังหวะที่พ้นน้ําแล้วเราก็จะได้รับแสงขึ้นมาอะไรเถอะนั้นแต่เรายังเป็นคนที่ยังมีส่วนที่มันครั บ, รบอะไรที่จะต้องพากเพียนบัวอยู่กลางน้าไม่ตายตมตายโครงลงไปแล้วกบุญแล้ว เป็นบัวกลางน้ำเราต้องประมาณหรือว่าคิดจริงๆเห็นหนได้ตรวจตาตรวจตนที่อตมากล่าวแนะนำเพื่อที่ให้เช็คหรือให้ตรวจนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการกล่าวตูแต่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นจริงเพราะว่าเรา หลายคนมากทีเดียวที่มาปฏิบัติมากระพือร่วมกันมาเนี่ยไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่เดือนเดียวไม่ใช่ปีเดียวบางคนกว่าสิบปีแล้วมันก็ยังไม่บานแข็เต็มที่เลยมันก็ยังบรรบานหุบหุบ้านอยู่อย่างนั้นนะบางกระบานได้บางบางกระหุบได้บาง จะว่าบาลมันก็จะไม่ใช่บาลตามความหมายคือหมายความว่าแจ่มใสขึ้นมาจนสุดที่ในความหมายที่ฉันหมายนะ่ะหมายความว่าบรรลุสิเอ็ดชิ้ยอดนั่นเองแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเผ่อผู้ที่เป็นอุคติตนยูที่เป็นวัวพลนน้ำเรียนกันมาขนาดนี้แม่อตมาจะไม่เก่งนะป่านนี้มันก็คงบานแข็งมาไปแล้ว บางคนสิบปีกว่าแล้วนี่เป็นต้นนะแม่ตามาจะไม่เก่งดังพระพุทธเจ้าโคตรตามท่าคิดนิ่งแง่กลับพระพุทธเจ้านะท่านจัดอะไรสั้นๆ น, นะท่านจัดอะไรนี่ไม่ค่อยขยายความเท่าไรหร่หรอกคนบารมีดีฟังขยายฟังแต่หัวข้อเนี่ยท่านบอกแล้วอุคติจันยูนี่ฟังแต่หัวข้อนิ่งตายเท่านั้นนะบาลสาโตริแล้ว ส่วนผู้ที่เป็นวิปจิตตัญยูนั้นขยายความหน่อยไม่ต้องมากนักพออาศัยก็บานได้แล้วเพราะฉะนั้นมองในมุมกลับผู้ที่เก่งจริงนะแค่นั้นส่วนอาตมานั้นแม้ว่าอาตมาจะไม่เก่งตัปปุบรเจ้าแต่อาตมาก็ได้พยายามที่จะอธิบายไม่ใช่แค่อธิบายขยายหัวข้อเท่า น, นั้นต่างที่พอวิปจิตัญยูท่านก็ สามารถรู้เรื่องแจ้งชัดเห็นจริงแล้วก็บรรลุได้อันนี้ขยายจนกระทั่งหมดข้อเลยหมดข้อขยายจนมากมาย ก, กายของด้วยซ้าถวาแล้วตามภาษาที่อาตมาจะไม่เก่งก็ต้องขยายกันมากๆพยายามทุกยกพยายามยืนยันทุกนี่ทุกมุมทุกเชิงขนาดนั้นก็ยังไม่เคยจะรู้กันเพราะฉะนั้นเราก็ แน่ใจเสถ่รัวเราเป็นเนยยะบุคคลฉันแน่แล้วก็ขยายกันจน ก, กันไม่รู้จะขยายยังไงแล้วมันก็ยังยิ้มได้บ้างมายิ้มได้บางไอ้ยิ้มได้บางก็ ย, งยังดีอยู่ไอ้ที่ไม่เคยยิ้มมุยลงมุยลงมุยล ง, ยลงแล้วก็เลยเมินไปแต่พอท้งหมางเมินกันไปก็จะมีนะต่าน ท, ท่านด้กาเจตนาดีพยายามที่จะช่วยกันนะ พ่าในฐานะที่เป็นนยยะบุคคลดังกล่าวแล้วเราก็พยายามที่จะทําอุปการะให้แก่ตนเองทุกอย่างแม้จะไม่ใช่ทําตรงเสริมเสริมหนุนเอาจริงๆอาจามาได้แนะนําแล้วว่าเราก็ได้ขอคิดว่าเอ๋สิ่งนี้มันก็เป็นอุปการะอันยิ่งอันหนึ่งเหมือนกันเพราะู้ใดจะคิดว่าเราไม่ขาดทุนหลักแต่เพราะว่าเราจะมาบาเพ็ญในทางทำปฏิหาในการตื่นนิ่งขึ้นมา เราก็ควรจะรตักง อ, อกตั้ใจมีอุตสาหะมิริยะกละทำอย่างภาคทีมิจริงๆจะได้เป็นประโยชน์คุณค่าถ้าเผื่อว่าความเห็นความเห็นหรือ ป, ปัญญาอันแท้จริงของเรานี่มันชัดมันไม่มีอะไรต้านมันแน่ใจมันใจดีจริงแล้วก็พยายามลดความขี้เกียจมีวิริยะอุตสาหะเข้ามาทําลายความขี้เกียจนั้นได้จริงๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วแล้วก็ อาตอมาก็มั่นใจว่าเราจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่รภ า, าการกระทั่มนี้แลอาตมาก็แน่ใจทุกวันว่าที่ได้พาทำนี้ดีแล้วดีโดยเจตนาจริงพยายามเชิผลพยายามวัดโดยส่วนรวมโดยครั้งโดยคราวโดยจาละต่างๆนานาโดยองค์ประกอบสิ่งประกอบพวกเราต่างๆก็เห็นว่ามันต้องมันต้องทำและมันต้องไปแล้วนี้เปนต้องเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะต้องประกอบควบคู่กันไปเออขอให้พวกเราได้ทําความเข้าใจกับตนเองใช้มากๆว่ามันควรจะเป็นอย่างที่อาตมากล่าวไหมไม่ใช่อาตมาพูดไปแล้วว่าควรจะเป็นแล้วก็กลายเป็นว่าพวกคุณก็เป็นผู้ที่ถูกอาตมาประเด็จ ก, การเท่านั้นแต่ใจจริงมันไม่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ความมันต้องไปเอาพิจารณาจริงๆเห็นโดตน ไม่ใช่เชื่ออัตมาใด้ไปถูกอาตมาประเด็ดการไปเฉยๆลึกๆมันไม่ไม่ไม่ไมชัดนะถ้าเผืว่าประเด็ดการเฉยๆลึกๆมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ตามจริงเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราลึกๆก็ชัดชัดแจ้งศรัทธาเริ่มใส่เห็นจริ ง, จรงใจป ล, ดปลอดโปรยเมื่อคืนถึงขนาดนั้นแล้วมันไปได้ดีนะมันจึงให้พระคุณพยายามไปทําความเข้าใจแก่ตนให้ดีๆ ต่างทวารีโดยเหตุผ ล, ะละอะไรอาตมาก็ได้เทศได้บรรยายได้พยายามเนี่ยนชี้ก็ไปเสม อ, อเพราะอาตมามั่นใจแน่ใจคนตัวเองอยู่ว่าอาตมาไม่ใช่นักประเด็ษ ก, การแต่ตั้งแต่ขนาดนี้ยังโดนท่วงเลยาอาตม า, นมน เ, กกานนเนี่ยเป็นนักประเด็ษการมันเหนียวมันเอาเหอะมันเป็นไรจะให้อาตมาเป็นบ้างอาตมากขว่าโกยเจ๊ไม่หยอกเจ๊ อ, อีกแบบนึงให้เป็นผู้ประเด็ษ ก, การได้แต่ตั้งที่อาตมาในแซนจะประเด็ษการอะไรไม่เป็นไม่ได้กับเขา จะให้อตมาเป็นประเด็ด ก, การได้บางตามที่ทานรู้สึกกันก็เอาและตมาก็บอกได้โดยจริงใจว่าตมาไม่ไม่นิยมการประเด็ด ก, การนะอตมาไม่นิยมโดยความรู้ของอตมาเป็นเช่นนั้นเพราะในลักษณะท่าทีใดครั้งคราใดที่เป็นพฤติกรรมออกมาว่าเป็นเป็นประเด็ด ก, การบ้างก็ขออาภายัยไม่ได้มีเจตนาและไม่มีความปรารถนาจะเป็นเช่นนั้น เรามาทําปฏิหารในการตื่นกันตั้งบัลลังก์กฐมาตั้งมังแล้ววันนี้ไม่นั่งผับเทียบน ะ, ะจะคู่บัลลังก์โดยทับเทียบก็ได้คูบัลลังก์โดยทับเทียบก็ได้อย่างหนึ่งนั่งกฐมาตก็ได้อย่างนึงของไทยเรามันมีนั่งทับเทียบด้วยของอินเดียเขาเองเขามีนั่งกฐมาต แล้วก็สมาดไปหลายอย่างแต่ขัดสมาดขัดสมาธิที่เรามาเรียนในภาษาไทยเป็นขัดสมาดนี่ขัดมาจากคําว่าขัดสมาธินี่แหละเราเห็นได้นะในหนังอินเดียในหนังในหนังนี่นะเราเห็นคาร์ทินนั่งพับเพียบซึ่งเป็นคนอินเดียก็เรียบร้อยนะและคาร์ทินนั่งพับเพียบด้วย อาตมาว่าเออปัฒนธรรมมันนี้มันของใครเอาของใครมากันแน่ของอินเดียของไทยแต่ว่าส่วนใหญ่เขานั่งคัตมาร์ตกันนั่นแล้วเราเขาก็มาดิถืเราก็มาดิถืนาราเขาเอาส่วนพระเทียบนั้นในการละที่ควรพระเพียรเราครู้กันอาตั้งกายตรงดำรงสติของมันจะลืมนั้นสติเป็นสำคัญ สติไม่ตกก่อนอื่นคุณจะเป็นยังไงไปยังไงก็ตามใจแลยคุณพยายามที่จะให้สติของมันอยู่ควาว่าสติก็หมายความว่ารู้ตื่นอยุดเต็มรีนิดนึงก็ไม่เอาเพอเริ่มรู้ตัวบวรีนิดเติรนพยายามให้ตื่นให้ได้ตื่นก็นมาพยายามแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนเมื่อตื่นเต็มแล้วอยู่ก็ถือขดปฏิบตัติต่อว่าเออเมื่อเราตื่นเต็มแล้วเราจะเพ่งลงไปที่ลมหายใจเข้าออก เราก็เพ่งจะต้องพุธโทพุธเข้าโทออกแล้วจะต้องแล้จะต้องเยเข้าสู้ออกอะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรจะเยเข้าสู้ออกเยเข้าสู้ออกก็ได้ไม่ว่านี่ไม่ใช่อาตมาจะเดินนโยบายตามนโยบายไดอหลอกของาศาสนาคริสต์เขาซึ่งเขากำลังทำาศาสนาสัมพันธ์ เร า, าพยายามจะสัมพันธ์กระพุทธไม่ใช่เดินตามแต่มาว่าก็ดีนี่ไม่เป็นไรหรอกเราอย่าไปลถหย่อนของเรากขาแล้วกันเราพยายามภากเพียรปฏิบัติประพุติขึ้นสู่ความสูงความยิ่งความจริงของเราให้ดีได้ไดไดเรื่อยๆแล้วกันเพราะฉะตอนนี้พยายามทุกคนจับหลักสติเมื่อสติแล้วก็พยายามถ้าจะใช้สมถะดังที่เป็นอุปการะของอันนี้ ก็จดจ่อ จ, ด จ, ด, จดจ้องที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะยังไม่แน่จริงอย่าหลับตายังไม่แน่จริงอย่าหลับตาพยายามลืมตาแล้วก็เพ่งให้มันเกิดการเห็นข้างหน้านี่มันดีเห็นแล้วเราเองเราไม่ได้สัญญากำหนดมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าเราไปกำหนดจิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตาที่มันไม่ได้ไปกำหนดมันก็ยังงั้นอย่างนั้นแหละ มันเป็นการฝึกนะเป็นการเคยเป็นการชำนาญ เ, ออเราเองเราไม่ได้ไปใส่ใจเราหัดปล่อยตาของเรามันก็ปล่อยอย่ น, นแล้วมันก็ไม่ได้น่าชี้ชวนยวนใจอะไรมากมารอข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นรูปเป็นสีอะไรที่มันน่าเพลิดเพลินเจริญใจหรือว่าน่าสนใจอะไรเกินการเพราะงั้นก็แค่นี้คุณยังตัดไอ้ส่วนของตา ปล่อยออกแค่นี้ก็ปล่อยไม่ได้เพราะยัจริงหัดบ้างหัดจริงๆตามมันแค่นั้นนะเราเองจะเอาใจมาใส่ใจตรงที่ลมหายใจเขาออกเขาเอา้าลมหายใจเขาออกเสียงมันได้ยินบ้างมันก็เป็นเครื่องประกอบเป็นส่วนประกอบในแบบฝึกหัดของเราเสียงนี้ก็ไม่ไชวนใจไม่ได้ยียวนยั่วยุอะไรให้เราไปหลงไหลตามอะไรนักหนาแช่นี้วางไม่ได้มันไม่อ่อนแอมากไปเรื่อนะพยายาม แต่ในการนั่งอย่างนี้ก็มีเสียงมีตานี่ขนนั้นแหละมากหน่อยกลิ่นมันก็ไม่มีอะไรนั่นนอกจากคุณบังเอิญอ่าสวยหน่อยเป็นนั่งใกล้คนที่เขากลิ่นมันไม่ค่อยสะอาดอะไรก็เป็นความสวยของคุณหรือแม้แต่เป็นนั่งใกล้คนที่มีกลิ่นเอาหน่ออบน้ําหอมพรมร่าอะไรมาก็ถือว่าเป็นความสวยของคุณเหมือนกันเพราะว่าแม่มีกลิ่นมาช่วยเป็นแบบประกันให้เราถ้ามองไปอย่างนั้นว่าทำไมเอากลิ่นอันนี้มาให้เราต้องต่อสู้ ก็ถือว่าสวยแต่ถ้าพื้นถือไปอีกอีกมุมหนึ่งถือว่าเห็นนะเอ้มันดีฮะมีแบบฝึกการให้เราสะดวยไม่ได้จ้างบาทนม่ก็ไม่ได้จ้าง500ร้อล้านก็ไม่ได้จ้างนะเนี่ยเอากลิ่นไม่สะอาดมาให้เราต้องตัดเนี่ยก็ตัดเข้าหินได้ว่ากลิ่นของเขากลิ่นของเขาไม่ใช่กลิ่นของเราไม่ใช่กลิ่นของเราหรือแม้แต่กลิ่นของเราเอาละกลิ่นของเราวางได้ง่ายกลิ่นของเขาเนี่ยวางยากเอากลิ่นของเขากลิ่นของเขากลิ่นของเขาเราไม่ต้องไปยุ่ง ปาจริงที่จริงมันก็น้อยนะส่วนปากก็ไม่ต้องห่วงวเรื่องรถหกไปแล้วไม่ได้มีอะไรมากลัว่วหรือว่าไข่อมอะไรอยู่ในปากอะไรก็แหมอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วแต่นะคนชวยเองทําเองอย่าไปว่าอะไรนะเราสัมผัสแต่ต้องขณะ น, นี้อากาศที่มันมาปัมผเรามันก็ไม่ได้เป็นอากาศที่โยโยนอะไรมากมายนะักนะไม่ว่าร้อนก็ไม่ได้ร้อนเกินไป สบายก็ไม่สบายเกินไปหนาวก็ไม่หนาวเกินไปอะไรมันก็พอเป็นพอไปเพราะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาลองพยายามดูอยู่กับใจอยู่กับสิ่งที่เรามุ่งหมายเหมันการมาทําการนั่งปฏิหารในการตื่นนี้จึงเป็นการนั่งที่ทว่าไปแล้วง่ายกว่าที่เราไปประพฤติปฏิบัติในหมักมักองแปดที่เรามีิบัษาเป็นปัจจัยตาหูจมูกริ้งกายกีกระทบ เรื่องนั้นเรงนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่ยยวนยิ่งกว่านี้แล้วเราก็สู้กันหนักกว่านี้มันตอนนี้ถาวาไปแล้วมันเบาง่ายกว่าแต่เราก็ได้ ป, ประโยชน์อีกทางหนึ่งคือถาวรใจถาวรเดียวถ้าเราปฏิบัติมากองแารนั่นเราปฏิบัติหมดทุกถาวรตาหูจมูกริ้งกายใจจึงเป็นทางเอกทางใหญ่ปฏิบัติหมดทุกทวาวรส่วนเรามานั่งนี่มันปฏิบัติถาวรเดียเท่า น, นั้นแหละมั น, ม, นมันสําคัญ ่มันที่จะระวังมากทว่าอื่นบอกแล้วไม่จะตาหูก็ไม่มีอะไรทันยวยวนมากอื่นๆก็ได้อธิบายแล้วน้อยกว่าอีกเป็นต้นนะแล้เราก็ง่ายเป็นอุปการะส่วนนี้ก็เอาเถอะแม้มันง่ายแล้วมันก็ได้ก็จริงไม่ได้พยายามการไม่มากพยาบาทไม่มากแล้วเพราะมันไม่ยั่วยวนเหลือแต่ถีนามิทะก็จะจัก ข, ขุกุจัก อุตจักรกุจกจักรหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรที่ฟุ้งไปหาเรื่องนั้นเนี้จนเราเองพย า, ยามที่จะให้มันเป็นชานเราก็เป็นไม่ได้ลาคาญจังวล น, นั่นแหละคืออุทจักรกุๆๆจกจักเพราะฉะนั้นถาบว่าความฟุ้งที่มันไม่ถึงก็ทําให้เร า, ารําคาญที่จะมาทําชานนี้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่อุตจักรกุๆๆกุจักแล้วไม่ใช่กุกจักแต่เป็นอุทจักรตัวฟุ้งลอยหรือความคิด ฟุ้งลอยความคิดถ้าความฟุ้งลอยนั้นมันไม่ใช่เรื่องอกุศลอะไรก็เคยแนะนําก็ไม่ต้องไปกังวล ม, มันมากเพราเป็นเรื่องกุศลเราต้จิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องดีเป็นกุศลเป็นธรรมะะดวยซ้ำอะไรเป็นต้นก็เป็นไรเรามีสํานึกมีสติรู้แล้วก็คิดไปตามถ้ามันไม่เป็นอกุศลมันก็ใช้ได้มันไม่เป็นกาไม่เป็นพยาบาทไม่ได้ไปคิดในทาง แรียสามต่ำชาอะไรก็ได้ในเรื่อว่าบรไดาชั้นชานแล้วฌาญมีความรู้มีความนึกคิดมีอะไรต่อะไรในทจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเข้าใจผิดวราชาญคือจะต้องไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ชาญคิดอะไรได้แต่ส่วนที่เราจะให้มันพักกินงกว่นั้นให้มันสมถะยิ่งกว่านั้นคำว่าเจโตสมถะให้มันสมถะตรงที่ว่าไม่คิดเลย สักจะรู้จะสัญญากำหนดรู้เรารู้ลมหายใจก็ลมหายใจอยู่เฉยๆหรือไม่รู้ลมหายใจคุณจะรู้จิตของคุณนั่นแหละไม่คิดเห็นว่าจิตของเราไม่คิดอะไรเฉยมีการรู้อะไรก็รู้เฉยอยู่ถ้าจะเพ่งไปข้างหน้าเห็นอะไรข้างหน้าก็เออนั้นและสิ่งนั้นก็เฉยอยู่ซ้สำซากเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนข้างหน้ามีอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ ต้นนั้นแหละต้นที่เห็นทางนาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละต้นไม้เกิดขึ้นเป็นต้นไม้แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมารู้จิตมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็เป็นสมถะยิ่งกว่าที่มีความคิดก็เอาจะฝึกก็เอาบอกแล้วว่าระดับชานะแม้จะมีความคิดก็เป็นชานมีวิตกับวิตกสะสั่นกระปากจิตเราก็อับปนา จิตของราพยาปนาเจตโสนิโรปนาแม้แต่คิดจนกระทั่งกรุงเป็นวจีสังขารคิดนึกจงกระทั่งเป็นวจีสังขาราเป็นคําพูดอยู่ในใจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นความเป็นคําเป็นเรื่องที่จะพูดแล้วเปล่งออกมาเป็นภาษาเมื่อไรได้ทันทีรู้ว่าอาการ น, นี้หมายถึงนั้นก็เป็นฌานฟังให้ชัดๆเป็นฌามีความรู้แต่ไม่เป็นอกุศล แต่เป็นกลามไม่เป็นไปเพื่อกามเพื่อพยาบาทที่นั่มิท่านไม่แน่ไม่แน่ไม่ไม่ใช่ไม่แน่ไม่แน่แน่ไม่มีแน่ๆอุทจักก็คือตัวฟุ้งลอยนี่แหละแล้วเราก็รู้ถ้ามันฟุ้งซ่านเกินไปมันไม่เป็นเอกคตาก็ให้รู้นี่เออเราทำไมมันไม่ไม่เป็นขบวนมันคิดอะไรแล้วก็บฟุ้งมีนุ่งมีหนี้มีอะไรต่อมาปนเปยนั่นแหละว่าอุทจักของเรายังฟุ้งอย่างซ่านยังมีอะไรมากเกิน แม้จิตที่ลอยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นลักษณะของจิตเป็นธาตรู้นอกจากธาตรู้แล้วยังเป็นธาตุคิดที่เป็นสัมกปัจแม้แต่ขณะนี้เรามีตัวคิดได้สัมกปัจจัคิดได้มันก็เป็นฌานอยู่พอไรลีวอนเห็นชัดไม่วิจิกริชฌาถ้าคนสงสัยพุนก็ไม่เป็นวิจิมันก็ไม่เป็นฌานอยู่ตรงที่ว่าเอ๊เป็นฌานหรือเปล่าวะเป็นฌานหรือเปล่าวะจิจริงๆมันสงสัยอยู่นะมันก็ไม่เป็นฌานตรงที่วิจิกริชฌานั่นเอง หมดว่าเมื่อไหร่แล้วบอกเออใช่เว้ยใช่เว้ยเออใช่แล้ออวฌานแต่ต้องมีตัวจริงนะไม่มีกาไม่มีพยาบานไม่มีทีนมิทะไม่มีอุเทศจรักบุกุจจ์อะไรจริงๆเลยเออดีมันจะคิดก็คิดขนาดนี้โดยจริงไม่เป็นอกุศลดับอกุศลนั้นได้เป็นฌานอยู่รู้อยู่แล้วทำบอกแล้วว่าถ้าจะสมถะยิ่งกว่านั้นไม่คิดแล้วก็อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจะเป็นเป้าเคลื่อน หรือเป็นเป้านิ่งก็ตามเป้าเคลื่อนก็หมายเขาว่าสิ่งที่มันเคลื่อนผ่านไปแล้วแล้วก็รู้รู้แล้วมันก็ผ่านมันไปก็อย่างนั้นนะมันอะไรไม่ผ่านเราก็ไม่ไม่รู้ไม่สัญญาอะไรผ่านก็สัญญาเป้าเคลื่อนก็ไม่ว่าเป้านิ่งก็ไม่ว่าเป้านิ่งก็ซ้ำซ า, ากเรียนกานั่นแหละเป่านิ่งก็ไม่ว่าเราก็สัญญาอยู่แค่นั้นไม่คิดอะไรไม่มีสังขาร สัญญาสักจะวารู้อยู่างแ่นั้นก็เป็นสมถะยิ่งขึ้นเหมือนกันเป็นฌานที่เป็นสมถะยิ่งขึ้นไม่มีนิวรณ์เหมือนกันแล้วจะยิ่งกว่านั้นอีกสมถะยิ่งกว่านั้นไม่คิดไม่นึกเลยไม่รับรู้อะไรเลยจิตมันไม่มันคิดมันรู้มันอะไรเลยคือดับลงดับลงดับลงดับลงดับไม่มีความนึกคิดเลยตอนนี้แหละสมถะยิ่ง แต่ไม่ใช่ฌานฟังให้ชัดนะเพราะไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีธาตุรู้ก็อสัญญาพระพุทธเจา้าไม่นับอันนี้เป็นฌานแต่นับเป็นอภิสัญญานิโรธหรืออสัญญาเรื่องดับจิตนิดน้อยหนึ่งมันคิดอยู่ก็มันก็อยากขนั้นเลยเรานิโรธยินกันนี้เดอะวก็นิโรธลงไปดับไม่ให้ น, นึกคิดเลยนะ ตอนนี้ตาคุณอาจจะหลับด้วยก็ได้ดับหรือแม้ไม่ดับไม่ไม่หลับตาลืมแทงอย่างเงี้ยต่ไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยเป็นได้แต่ตมาไม่เก่งไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเคยทำได้หรือเปล่าคือตาแข็งทื่อยี้อยู่ลแล้วก็ดับจนิดกันเลยเป็นอสัญ อาตมาไม่รู้ว่าตัวเองทําได้หรือเปล่าไม่เคยรู้ไม่เคยได้มีใครทักใครโทษหรือใครชีใร้ให้แต่เพื่อนอาตมาเคยมีนั่เคยเล่าให้ฟังสังนต่เวลาเขาทําองเขาเนี่ยเขาหลับตาไปซ้าไปพอหลับแล้วปลายไปพอเวลาเขาตัดดับอะไรขึ้นมาหรือ ว, ว่าเขาเข้าไปอยู่ในภพหมายถึงก็ขนาดดับสนิทดับขึ้นไปอยู่ในภพไปมีความนึกคิดความรู้อะไรอยู่ในภพตาหูจมูกรินการไม่รู้เรื่องแล้ว ตาที่ดับไปแล้วที่หลับไม่ที่ดับตาที่หลับไปแล้วเนี่ยกลับลืมขึ้นมาแข็งทื่อไม่เห็นอะไรยังมีสรุปทำอาตมามีเพื่อนที่เล่นมาแต่กว่านี้เล่นนั่งหลับพูดหลับตาเล่นอะไรอะไรมาจนเอยะอะแยะมีเพื่อนอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เป็นเมื่เราจะเข้าใจคำว่าฌาญหรือจะเข้าใจคําว่าสมถะก็ต้องเข้าใจเหตุแ ล, และอิจฉาอสมาธิก็คือสภาพธรรม ตอนนี้เราเรียนรู้จิตจะเรียกอันนี้เป็นสมาธิก็ได้แต่สมาธิอันนี้ไม่ครบองค์มรสมาธิของพระเจ้าต้องครบองค์มรครบองค์มรโดยในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะขณะนี้เราตัดธรรมชาติมันไม่ครบองค์มรคือมันไม่ได้มีปากพูดไม่ได้มีการงานไม่ได้มีสิ่งที่สั่งสมกระทาเป็นอาชีวะทําจนเป็นส่วนมาก จนกระทั่งตังมันเคลื่อนไหวได้เป็นอะไรได้แล้วก็มีฌานอย่างนั้นเป็นสมาธิที่มีฌ า, านในการเคลื่อนไหวอยู่ไม่มีนิวรณ์อันนี้เราไม่ได้เป็นสมาธิอย่างนั้นก็เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งสมาธิที่อยู่แตกัจิตซึ่งเขาเรียนกันมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติก็ได้เรียกตามเขาส่วนที่เรียกว่าสัมมาสมาธินั้นมีปริฆราโรมีอุปนิโส มีบริขารองเจ็ดมีบริขารองเจ็หรือมีอุปนิสัยเป็นการทำได้จะเป็นอุปนิสัยเคลื่อนไหวอะไรอาไรไปมาได้กระทบสัมผัสได้ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิธรรมดามีคำว่าสัมมานาหน้าประกอบด้วยองค์มรรคมีส ม, มาธิทิฏิมีองค์มรรคมีธรรมวิจัยอะไรเป็นต้นมีปัญญาปัญญี ปัญญาผลเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคนที่เขาเรียนทางสายนั่งหลับตาและก็จิดวัาชานคือการตัดทวารทั้งห้าเข้าไปอยู่ในภพแล้วจนก็ตั้งเขาเปิดดับแม้จะเป็นอสัญญาเขาก็ยังเรียกของเขาวัาชานเพราะเงื่อนไขของเขาวัาชานคือเขาไปอยู่ในภพแล้วก็จิตเป็นหนึ่งที่จริงจิต ด, ดับไปนั้นนะมันไม่เป็นหนึ่งแล้วมันสูญอยูด่ด้วซ้ำมันมันไม่เปนหนึ่งเพราะมันไม่เป็นมันไม่มีจิต มันไม่มีธาตุรู้มันเป็นอาการของธาตุรู้แต่ขาต้ารบะชานเหมือนกันจึงไม่ค่อยเหมือนกันกับของพุทธพรงนี้เป็นรายะละเอียดรู้ให้ตายคุณทําได้ทําเป็นด้วยมันก็ยิ่งรู้ทั้งของจริงที่ทําได้ทําเป็นทํามีแล้วรู้ให้ละเอียดพยายามรู้ให้จริงจังก่อนเดือนเราก็พยายา ม, มําให้มันถูกต้องตามทางของพระพุทธเจ้าเป็นอุปการะให้ดีด สิ่งที่มันประกอบเราจะศึกษาบ้างมารู้ระ้เหตุผลรู้ได้ปัญญาแล้วเราค่อยศึกษาไม่เป็นปัญหาอะไรได้ mm. ป็ึกษาไปศึกษาไปฝึกฝนไปอย่าไปฝึกฝนสิ่งที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อุปการะฝึกฝนโดยโถิดไปมุ่งมันมุงมาเราเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกเพรา ะ, ะเราแทนที่จะไปเสียเวลาเราก็เอาเข้าจุดเป้าที่มันอุปการะก็ทําไปอย่างขณะนี้อาตมาพูดไปพลางพลาง ผู้ไปถ้าคนมีสติแข็งแรงฟังจตมาไปพลางคุณก็ฟังเสียงขอขามาเป็นกระสินเป็นความรู้ไม่ได้บอกแหวไปอื่นไม่ได้มีอะไรคุณก็มีฌานฟังธรรมอย่างนั้นแหละมิชาญฟังธรรมเบิกบานจำใสก็เป็นสมถะที่มีเสียงเป็นกสินมีเสียงที่พูดนี่เป็นกสินมันล้มบังลุกมั ง, ม, งมันก็เรียกว่ากสินมันไม่ต่าง ถ้ามันดูแน่วแน่เลย ม, ม, ลมันไม่ล้มมันไม่ลุกอะไรมันฟังตลอดติดต่อไม่แวบกบไม่วั่นเป็นเอกกตาอยู่เป็นความเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับอันนี้มีธรรมวิจัยดีด้วยนะมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะตามที่เราพยายามกระทําอุตสาหกรรมได้คุณก็ได้อันหนึ่งเป็นปิกกิรู้อยู่มีปัญญาบอกแล้วว่าฌานพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าไม่มีฌานที่ไรปัญญา คือหรือไม่มีฌานที่ไม่มีปัญญาอปัญญสักไม่มีปัญญาและไม่มีอาการของปัญญาอปัญญสักนี่แปลว่าไม่มีอาการของปัญญาไม่มีนักติฌานังอับปัญญสักไม่ใช่ฌานนักติประมไม่ไม่ใช่ฌานไม่ฌานไม่ฌานหรือไม่ใช่ฌานนักติเป็นการปฏิเสธถ้าอับปัญญสักถ้าไม่มีอาการของปัญญาประกอบร่วมเพราะ นัตถิปัญญาอชา้เาก่าชาญโนโจแม่ไอ้ขอใหม่นมจม่จมันาาปัญญาณัาาตถิสติสัปัญญานัตถิอชาญาโตนะปัญญานัตถิอาญโตปัญญานัตถินะอชาญาโตลักษณะของที่จะเป็นฌาน อาชัยโตจะต้องไม่ไม่ไรปัญญานะจะต้องไ อ, อง้คาว่าปฏิเสธฮะปัญญาจะไม่มีแค่ผู้ไม่มีฌานะอันนี้อันนี้เป็นเป็นความหมายที่ไม่เหมือนกับที่อาจามาอาชายินโนนั่นนะอาชายิโนนั่นนัตถิปัญญาอาชายินโนนัตถิมันก็ปฏิเสธเหมือนกันกอันบน คือเป็นคำที่มันขยายเนี่ยไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานนัตถิปัญญาอาชายะโนแต่นี้ปัญญานัตถิอาชายโตนะปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานมันแกลง้งมันต่างกันนะเพราะผู้ไม่มีฌานเนี่ยเป็นผู้ไม่มีปัญญาหรอกคือมันเป็นตัวโกงมันมีกิเลสนิวรณอยู่ประกอบมันไม่เป็นปัญญาแท้มันเป็นปัญญาแหวงเป็นปัญญาไม่จริงเป็นปัญญาไม่บริสุทธ ท่านที่บอกปัญญาไม่มีแค่ผู้ไม่ไม่เป็นฌานเพราะปัญญาไม่มีตัวเองมีปัญญามีฌานเสมอมแล้วมีฌานมันจะเกิดปัญญาเพราะตอนนี้เรามีแค่นี้แล้วก็ทําใจถ้าคุณฟังทำด้วยไม่มีนิวรณ์ห้าเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญญาดีนะและในขณะที่ไม่มีนิวรณ์นี่แหละเราเรียกว่าฌานเพราะฉะนั้นผู้มีฌานนี่จะมีปัญญาและจะเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่ไม่มีอะไรเข้าไป ทำให้เบี้ยวทต่ไม่เพี้ยนจึงเป็นปัญญาที่ดีนะปัญญาไม่มีแก้ภุมไม่มีฉาบไม่ไม่ไม่มีช า, ชานะนี่เป็นคํารัสของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันอยู่ตรงนั้นไปจึงอสังกีไม่มีธาตุรู้เลยอย่าว่าจะปัญญาปัญญาเนี่ยมันสูงกว่าธาตุรู้นะถ้าตุรู้ก็ไม่มีแล้วจะมาเอาชานไปตรงไหน่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอก ไม่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานขนาดที่มีแต่ปัญญาเออขนาดที่มีไม่มีนิวรณ์และมีตทธารู้ท่านยังไม่เรียกเต็มเลยว่าเป็นฌานเพราะฉะนั้นเป็นฌานต้องมีปัญญาจะมีปัญญาปัญญาที่เรายิ่งปฏิบัติแล้วก็ยิ่งแม้แต่คิตจะนึกก็จะลึกแหลมรายละเอียดออกเป็นปัญญาได้จริงๆเพราะนั้นแม้แต่เขานั่งหลับตาเข้าไปเราหลับตาแล้วก็ดับนิวรณ์เหมือนกัน ไม่ให้เกิดนิวรณ์ในช่วงนั้นนั่งหลับตาเข้าไปปราศจากนิวรณ์มันที่เกิดปัญญาในความลึกคิดในตอนนั้นได้เหมือนกันดีเป็นความนึกคิดเขาจะเขาได้ผลดังนี้มากันมาเหมือนกั น, น, นแต่เป็นปัญญาความลึกคิดไม่ใช่ปัญญาตามสภาพยทาโพธยานตัศนะหรือวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณนะคือญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงที่ปฏิปัติ์และเห็นเกิดปัญญา เป็นปัญญาเป็นการเห็นยิ่งวิปัสสนีวิปัสสนะเนี่ยปัสสะปัสสีเนี่ยแปลว่าความเห็นแต่ว่าเห็นมันเห็นอยู่ทันท่วิแปลว่าเห็นยิ่งยิ่งไม่ใช่ไม่เห็นนลวิปัสนาญาณก็เป็นปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นยิ่งยิ่งเลยเห็นเห็นอะไรก็ยะถาภูตังนั่นแหละเห็นความจริง มันเห็นอันนั้นเรียกว่าปัญญานะี่ยิ่งเห็นการละกิเลสก็รู้โอ้กิเลสเป็นอย่างนี้มีธรรมวิจัยกิเลสไม่มีเป็นอย่างนี้นี่เป็นเป้ามาที่เราจะรู้นะไม่ใช่ว่าไปเห็นของที่ปั้นสร้างเป็นมาหลอกตอนไม่ใช่ของจริงเช่ว่านั่งหลับตาเข้าไปแล้วเราก็ว่าเราไม่มีนิวรณ์เสร็จแล้วไม่มีนิวรณ์แล้วเราก็อยากเห็นนโลกอยากเห็นสวรรค์ที่จริงมันเป็นกรามเหมือนนะเพราะว่าคนที่ไปเห็นของจริงนี่ไม่มีกาม แต่คนที่อยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์ก็บอกโอ้นรกขึ้นเถิดนรกขึ้นเถิดภาพสวรรค์นรกจงเกิดภาพนรกจนเกิดพราะภาพสวรรค์จงเกิดปั้นจนสาเร็จเป็นมโนโมยอัตตปฏิลาโภในลามโนโมยัตตปฏิลาโพไหมคำว่ามีลาบทวนทำจนกระทั่งเป็นลาบแล้วก็เห็นภาพนั้นปรากฏจริงภาพปรากฏนั้นไม่ใช่ภาพของจริง แม้จะเป็นภาพเหมือนจริงแต่คุณมีความรู้อย่างที่เคยเปตัวอย่างมีความรู้ว่าพระนเรศวรรือราชการที่ห้าตมหน้าตาอย่างนี้มีบุ ค, คลิกอย่างนี้แล้วคุณก็ปั้นเห็นรนาชการที่ห้าหรือเห็นพระนเรศวรเลยภาพอย่างนั้นถูกต้องตามโรจิตศาสตร์ถูกต้องตามของจริง ถูกต้องนะเป็นภาพที่ถูกต้องตามของจริงก็เป็นเพียงภาพปั้นเหมือนที่คุณปั้นเหมือนขึ้นมาเท่านั้นจะขยับขยื่นได้พูดได้มีอะไรจะได้ได้กดตามเป็นภาพเหมือนจริงไม่ใช่ของจริงไม่มีรอห้าจริงไม่มีพะระนเรศวรจริงเพราะวิญญาณไม่มีรูปร่างรูปโฉมนมพัน แต่เราปั้นขึ้นมาเห็นตามความรู้จากความรู้ที่คุณอาจจะเกิดร่วมกันรอห้ามาจริงๆเคยรับรู้มาก่อนแต่ปางใดก็ตามปางนุ่นแหละปางที่ท่านยังส่งไปชนแล้วคุณก็เกิดรู้ก็ตามหรือในครั้งภานในสวนก็ตามปางน้นคุณเกิดเห็นจริงเคยมีความรู้ในปางน้นมาและคุณเกิดมันมีของคุณอยู่ในคุณแล้วคุณก็ปั่นขึ้นมาเหมือนจริง มันก็เป็นภาพเหมือนจริงท่านั้นไม่ใช่ยะถาภูตะตังไม่ใช่ของจริงตามความเป็นจริงแต่คนหลงเหลือเกินว่านี้แหละของจริงนะเนี่ยของจริงอ่ะและ้วก็น่าสงสานนีภาพเหมือนจริงหาได้น้อยส่วนมากเป็นนิมิตลวงเป็นภาพเกบอกพออระนเรศวรก็ไม่ค่อยเป็นพอนอระนเรศวร บอกว่ารอห้าก็ไม่ใช่รอห้าทแท้เขเห็นจากรูปปัน้นรูปเขียนอะไรบ้างคนที่คิดไม่ถึงอาจจะเหมือนก็ได้เหมือนมากก็ได้เพราะมันยังมีภาพเหลือหลงอะไรก็ตามสว่างขึ้นไปส่วนภาพพระระด้ดวสวนนั้นไม่มีเหลือเพราะว่าสมัยนยยังไม่มีภาพถ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้มีนัยยะที่ละเอียดเป็นวินย ะ, นะสุสคิโตศึกษานัยยะละเอียดลึก่งตรงนี้ห้ดี วินัยสุสิกิโตศึกษาฟังดีฟังตามคิดฟังตามฟังฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปจินตาวิเคราะห์คำนวณเหตุผลอะไรตามแล้วคุณก็มาพิสูจน์พิสูจน์ศึกษาไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจความจริงพวกนี้มากขึ้นม่าแม้แต่ในยะดังกล่าวแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นผู้ที่ไประลึกปั้นรูปปั้นอะไรอยู่ในภาคภาคการหลับตาแล้วก็ไปปั้นอะไรขึ้นมารู้ขึ้นมาแทน ก็เป็นเพียงความรู้ของคุณแต่เป็นการปั่นนิมิตขึ้นมารู้บางทีถูกต้องบางทีจริงได้ด้วยปั่นนิมิตขึ้นมาแทนการรู้ส่วนผู้ที่เป็นปั่นนิมิตขึ้นมาแทนการรู้มันก็รู้เป็นอรูปอรูปาว จ, จรไม่ต้องมีรูปเรามันก็รู้รู้อย่างขณะนี้นคุณคิดถึงอะไรเนคุณคิดได้ชัดชัดมากคิดถึงอะไรแม้แต่เป็นวัตถุคุณคิดถึงวัตถุสิ่งนึงสิ่งนั้นปั๊บ ไม่ต้องปั้นวัตถุสิ่งนั้นเป็นเนื้อเป็นตัวคุก็ชัดของคุณแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องปั้นเป็นรูปทนโทถขึ้นมาเลยในห่วงจิตมันก็เป็นอรูปาวจรคุณจะปั้นเลยให้เป็นรูปปาวจรเป็นรูปจิตชัดเลยเขาก็ว่านี่เป็นรูปาวจรเป็นรูปไม้เห็นเป็นรูปเป็นสีรูปชงนมพันเลยก็บอกแล้วว่าเป็นนิมิตอาจจะเป็นภาพเหมือนจริงได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพที่มี เป็นเพียงความรู้ที่คุณสมมติขึ้นเพราะฉะนั้นคนได้ยินนิทานมาว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นนะมีสานโนดัดอินดอกปาริชาติสีเหลืองกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อนั้นอย่า ง, อ, า ง, อ, างอะไรอีกเยอะแยะคุณได้ยินมาว่ากิระดังได้ยินมาแนละ้วคุณก็มาปั้นตามที่คุณจะมีภูมิรู้ที่คุณมั่นมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดมโนโมยัตต์ ปกิลาโพมีลาบได้เห็นมโนมยอัตตาอันนี้อั น, นเป็นเราปันป่นปั่นไปมาเห็นคุณก็เห็นได้แม้มันไม่มีอยู่ที่ไหนเลยสัโนดาลมันไม่มีอยู่ที่ไหนเลยในมหาจักรวาล น, นอกภพนอกภูมิที่ไหนโลกนี้โลกหน้าไหนมันก็ไม่มียิ่งไปอ่านว่าสิทธิแล้วโอ้โหมีต่อโบก็ค่อยๆโผขึ้นมา แล้วก็คอยแอบปรากฏเกิดจากดอกบัวอะไรอีกนะมันไม่มีเรี่อมันมาภาคสวรรค์ตามที่เรียนกันมาหลายคนอาตมาก็เคยเรียนแต่สมัยอาตมาเรียนในหนังสือก็ชื่อเรื่องว่าเรื่องกามนิส่วนตอนหลังนี่ก็จะเห็นมาหน้ารังเกจคําว่ากาเมรุเช่นไดไม่รู้เขาเรียกชื่อหนังสือว่าวาสิทธิแต่ตั้งแต่วาสิทธิไม่ใช่ตัวเอกของเรื่อง เรื่องนี้เขาต้องการล้อเรียนการมนิษแต่เขากระูกเป็นเรื่องนวมณียายอะไรขึ้เยอะแยะก็ะเป็นสภาพที่เรากี่ระดังได้ยินมาก็เป็นป้านนึเข็นเป็นไปและสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตลวงปันได้เป็นได้ตอนนั้นนี่มันไม่มีจริงเลยแล้วคนก็ไปหลงว่านี่แหละจริงนี่แหละจริงหนักข้าวปัน้นรูปพระพุทธเจ้าคึ้ไม่เห็นนินา น, นานพระพุทธเจ้า อาตอมาเคยหลอกๆถามเหือกันว่าพระพุทธเจ้าของคนนะเสียงทู่หรือเสียงแหลมนคือมันมีเสียงนี่เป็นเปรียวเป็นเปรียวแบบแบบสุโขทยัยส่วนเสียงทู่น่ยมันแบบอยุธียาหรือแบบเสียงแสนบางคนก็บอกเสียงทู่เสียงทูเออคนนี้ชอบแบบอยุธียาชอบแบบเสียงแสน เสียงพระพุทธเจ้าไม่มีหัวถูหัวแหลมอะไรอย่างนั้นะก็รู้แล้วอ่ะอืมคนนี้เนี่ยเขายังมีภูมิแก่แค่นี้เองนี่แค่จะบอกว่าเออเธอก็ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาตำนานทาไมรู้อะไรเสเลยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเป็นสมณะโลนไม่ใช่สมณะหัวถูหัวแหลมอย่างอะไรอัตถะอมานใช่ไหม อ่ัมพะเออัมพะมานพในบริภาทพระพุทธเจา้าบอกสมณะโคดมสมณะโลนนโคดมพูดเป็นสมณะโลนบริภาทพระพุทธองค์ซึ่งเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์แท้ๆคำพูดคำคำกล่าวของอัมพัรมานพ ก็ว่าออมาจะชัดอย่างนั้นตอนที่ต้องโต้กันในอภัตตสูตรจะชัดอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ได้มีหัวทุหัวแหลมอะไรใครแต่ก็หัวโล้นเหมือนๆกันก็ปิตุสงศ์สาวกทุกองค์ขณะพระเจ้าอาชาศัตรูเสด็จไปเมื่อชีวะกาโกรมรพัฒ น, น์ไปทูลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านไปเจกนกระทั่งท่านมองท่านถอดพระเนตรเห็นแล้วว่า ในศ า, าลาปรงธรรมที่มีพระนั่งกันอยู่เต็มท่านก็เห็นพระเต็มไปหมดสแสดงว่าไม่มีองค์หัวแหลมโดอยู่หรือหัวทู่โดอยู่ให้สันเกตเลยว่าเป็นองค์นี้ต้องเป็นพระสมณโคดมเป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าแน่แล้วเพราะหัวทู่หรือหัวแหลมต่างกับสมณะโลนที่เป็นสาวกองอื่นพรากฏว่าพระเจ้าอเจ้าสตรองตรัดถามจีวกะโกมลพัทว่า องไหนองคไหนนะสมณโคดมองค์ไหนสแสดงว่าท่านกับหัวโลนปนกันอยู่ในนั้นไหมไม่มีอะไรพิเศษจนพระเจ้าชาตศัตรูที่จะมองเห็นได้ใช้ปฏิพานเล็กน้อยก็น่าจะรู้ได้พอถึงกั้นหัวถูหัวแหลมมนะันมี อ, องค์เดียวเนี่ยมันไ ม, ไ, มไม่ต้องถามแล้วคนเราเนาะมันก็จะต้องแตกต่าง ม, มันจะต้องเด่นโด่งผิดกันแน่หรอกองหัวแหลมนั่นใช่ไหมน่าจะถามอย่างนี้เลยนะองค์หัวถูนั่นใช่ไหม เลยนายจะต้องถามนี่นี่บองค์ไหนองไห น, ไหนท่านกับจิปกากร์ก็บอกนาะยองนะ อ, องนั่งอู่กลางไม่ได้บอกว่าองค์หัวทู่นั่นะององหัวแหลมนั่นแหละไม่ตีท่านเกะชั ด, ดๆหนึ่งให้ม่ได้ตอบย่างนี้เลยมีหลายแห่งหลายตอนเจดีมียืนยันไม่ชัดในประวัติศาสตร์นะเช่นนี้เป็นต้นนะแล้วเขาก็เป็นไปกันยะว่าจะอย่างนี้เดินแะม้แต่จะ นิมิตเป็นพระพทธรูปเป็นพระสมณโลนเหมือนกับพวกเราอาจจะมีสปริสลักษณะถึง32ประการอย่างไรอย่างไรไปตามความรู้ของเขาตรงบ้างไปตรงบ้างหรือตรงมากตรงมากเอามากๆ ก, ก็ได้ก็เป็นเพียงความฝันเป็นนิมิติกปัน่นขึ้นมาหลอกตัวเองไม่หนีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอีกแล้วรูปร่างรูปโฉมนมพันุ์ นี่ยเก็ไปเฝ้ากันเรื่องกำลังบางชาอย่างนี้เป็นต้นนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องศึกษาไปแล้วคุณก็พิสูจน์เองแต่คนที่รู้แล้วนี้มันไม่ลวงหรอกมันไม่เคยมีหรอกอย่า ป, ปั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บอกว่าคุณชัดเจนหมดวิจิตรช้าในเรื่องนี้เป็นสมาธิิแน่แล้วว่าวิญญาณนังอนัตตาวิญญาณไม่มีรูปร่างวิญญาณเลยมันโนอสริรังไม่ได้มีรูปโฉมนมพันุ์อะไร คุณไม่ไปมัวเมาสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็มีแต่จะคลายความติดยึดเดิมคือฝันคุณจะคลายฝันฝันไปเป็นวิญญาณไปเ ป, เป็นนุ่นเป็นนี่อะไรอะไรต่างๆนานาอะไรเป็นวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนลดฝันลงลดฝันลงลดฝันลงลดฝันลงเพราะเราชัดแจ้งอยู่แล้วว่าก็ไปฝันมาทําไมมันเป็นความลึกคิดปั่นแบบนั้นมากมาย นอกจากคุณอยากจะยังมีฝันอยู่มันอร่อยดีเหมือนกันมันสนุกดีเหมือนกันเขาเพ่งฝันอยู่แต่ถ้าใครคิดวางปล่อยจริงแล้วนะมันไม่เ็นฝันตัวภาพจะมาเป็นฝันเป็นฝันอะไรมนุเพราะว่าวิญญาณังอนาาัตตาวิญญาณไม่มีตัวตนเพราะนั้นเขาจึงกล่าวกันว่าพระอรหันต์นั้นไม่ฝันคือไม่มีรูปลิมิตแต่พระอรหันต์ท่านมีรูปลิมิตได้ บางองค์ที่ท่านเองท่านจะต้องอาศัยแล้วเขมันเป็นไปถ้าไม่ปล่อยไม่วางแต่คนไม่เชื่อแต่คนไปคํานวณดาวดนเอาก็ตามที่บอกว่าวิญ ญ, ญาณอนัตตาเมื่อผู้ใดไม่มีอัตตาวิญ ญ, ญาณไม่มีอัตตาวิญ ญ, ญาณอนัตตาแล้วเพรา ะ, ะนั้นลักษณะของพระอารหันต์ที่หมดอัตตาแล้วต้องไม่มีภาพไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีต้นเขาก็เลยเอาความรู้นี่มันเดากันมาจากแต่โบราณคาลนานมาแล้ว ว่าพระอาหารหันต์ท่านไม่ฝันท่านไม่มีรูปไม่มีภาพซึ่งไม่จริงขนาดพระโมคคัลลานะยะว่าจะฝันหลับตาไปเลยนนท์น่ยเปรเนี่ยมันเป็นงูเลื้อใหญ่ไฟขึ้นจีกลางตัวลำตัวลืมตาพปรง่รงๆนะพระอนนทนะ์อย่าว่าจะฝันหลับตาเลยนิมิตเป็นได้ถึงป่านนั้นพ ร, ริจากาตอบรับตามที่ท่านรู้ว่านี่เป็นอุปนิสัย ของพระโมคคัลลาก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านย่อมตัดเอาธรรมาทิฐิฐานตามพรอันแต่ตามพระโมคคัลลาได้โดยไม่ประหลาดเมือ่ออาตมาว่ากับพวกคุณยกตัวอย่างช้างมา้างวควายอะไรมาประกอบการอธิบายธรรมะพวกคุณก็ยิ้มแย้มเข้าใจแต่คุณก็มีคิดว่าเป็นชางเป็นมาเสือสิงก็ทิ้งแรกรู้ว่าเสือโอ้ดันแหววโอ้โหเสือมาแล้วเสือมาแล้คุณก็รู้แล้วว่าละหมาถึงอะไรเสือชนิดไหนอ่าอย่างนี้เป็นต้น อย่าไปแต่เสือเลยเราว่ากันเป็นอย่างน้นอย่างนี้ทดแทนไปโดยภาษาโลกภาษาวัตถุก็รู้กันอยู่แล้วในการที่จะเพ่งธรรมะอันนั้นเป็นสิ่งแทนในัยะเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับรรกพระโมคคลาท่านท่านรู้กันพระโมคคลามีมีนิสัยอย่างนี้อุปนิสัยอย่างนี้ทำมาใช้ไปทําไปพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าก็ไรท่านก็โอภาปใสยด้วยแต่พระโมคคลลานะ่ะมี สมาธิติตแล้วไม่ได้ติดยึดอะไรแต่มันเป็นอุปนิสัยเช่นเดียวกับสายเจโตส่นมากที่เป็นพระที่มีสมาธิติตแล้วยังใช้สื่อนิมิตแทนอยู่แต่ไม่ได้หลงสื่อนิมิตอันนี้อัตมาจับได้ยินิดหนึ่งในหนังสือของท่านอาจารย์มัน่อนอาจารอาจารย์มั่นมีการเปลย อ, อย่างงี้นิดหนึ่งมันคันว่าก็รู้แหละว่านี่เป็นส ม, มตุติแต่ก็ยังต้องขอใช้นะอาจารย์มั่นมีอันนี้อันหนึ่งมือนกัน แสดงว่าอาจารย์ม่านมีภูมิในการรู้วิญญาณนาอนัตตาพอใช้พอได้พอใช้ได้แต่ท่านก็ยึดมากกว่าที่ท่านจะชัดโดยการรู้การรู้ของท่านท่านไปเน้นเหมือนอย่างอัตมาเน้นถ้าท่านรู้ท่านจะเน้นเหมือนอัตมาเน้นเพื่อไม่ให้ใครไปติดอัตตาไปสร้างอัตตาเพราะมันเป็นความยึดติดกันมานานเพราะฉะนั้นเราต้องแก้อย่างละเอียดและชัดมันแสดงว่าท่านมีไหวพริบรู้บ้างแล้ว ว่าในการเทศหรือการสอนว่าทาจึงไม่เคยสอนใครแต่ท่านพูดของท่านในคำอธิบายอันนี้ท่านเล่าให้พระมหาบัวฟังพระมหาบัวก็ได้เอามาพูดผ่านนิดหนึ่งเล่าอธิบายไว้ที่แท้นั้นท่านพูดของท่านเองได้ไม่เคยสอนใครไม่เคยบอกใครแสดงว่าท่านยังไม่แน่ใจเมื่อไม่แน่ใจท่านก็สอนไม่สอนใครออกมาแต่เป็น จิตตัวหนึ่งอะไรอันหนึ่งเป็นความรู้อันหนึ่งเกิดแค่ท่านแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่อาตมาพอรู้ว่าพระอาจารย์มันเป็นอริยะได้ซึ่งมีข้อมูลที่เป็น ส, สมาธิบ้างส่วนแต่เล็น้อยสิ่งที่อาตมาเองอาตมารู้และอาตมาก็มีอะไรๆที่เป็นค่าของอาตมาอยู่ในการที่จะประเมินค่าของผู้นั้นผู้นันะ้น พอาตมายังไม่ได้ลงไล่อะไรไม่ได้แกล้งพูดว่าพระอาจารย์มันเป็นอริยะอาตมาไม่ได้แกลงแต่อาตมาก็รู้ข่าวพระอริยะอย่างไรแท่าไหรตามที่อาตมาประเมินที่พูดเป็นต้นที่พูดถึงนี่มนก็ไม่ได้ลกหูรูอะไรเอามาเป็นข้อมูลในการศึกษาให้เราฟังอย่างนี้เป็นต้นนะมีอะไรอีกมากกว่านี้นะสิ่งที่ค่อยๆพูดกันไปค่อยๆแนะนํากันไปขณะนี้ก็เห็นว่าฟังฟๆทำกันก็คิดว่าจะ มีชาญกันพอสมควรแต่อัตมาช่วยนะพูดเป็นกระสินให้เยอะอพึ่งตัวเองดูอีกสักธิานาทีนั่งเองเพ่งเองช่วยตัวเองอย่าให้ผีลากไป ขาดทุนอยู่บ้างงอเกางอคิงลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆก็มีนะส่วนที่ฟุ้งซ่านอยู่ของใครเองที่มีส่วนเป็นกลามเป็นนิวรนอะไรของตัวเองนั่นก็จับให้แม่นแต่ท่าทีของงูเลื้อยนี่มันเห็นชัด มันออกมาที่รูปร่างเห็นได้แต่ว่าเป็นสภาพของกลามของพยาบาทของฟุง้งซ่านไปในอะไรต่ อ, อไรที่ออกไปเป็นอกุศลนั้นก็รู้ยากก็เราต้องจับของเราเองแต่ทีนมิทธานเนี่ยต้องมาได้ให้มันนอนจะนอนให้มันนั่งแลให้มันนั่งมีสติ้ดยมันหลับซะมันก็เห็นง่ายอะที ็งองงโยวมวุนไปมุนมาอะไรเนี่ยคอตกค อ, อเอียงหูตาทาทีมันจะดูออกอะระวังจะให้ขาดทุนมีสติบอกแล้วไอ้ตัวทีนิมิตกับตัวสตินี่มันเป็นคู่ปฏิปักิกัน มีสติเต็มจะไม่มีง่วงง่ายอาสติรู้ตัวทุ่มพรม้อมนั่นคือไม่มีขีณาพิตะแม้จะเริ่มต้นไม่เต็มร้อยสตินี้ที่จริงแปลว่าร้อยความรู้สึกรู้ตัวทุ่มพร้อมเราเต็มตื่นร้อยในขณะนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่านี่ขณะนี้เราไม่มีอาการง่วงเหงาอะไรฟังพูขดขณะนี้เราตื่นเต็มเลยนี่เป็นสติที่รับเต็มก็รู้อาการอารมณ์อาการอย่างนี้ได้เพราะในขณะที่เรานั่ง อารมณ์การที่ตื่นเต็มอย่างนี้มันรีลงเริ่มไม่เต็มร้อยเริ่มจักลลีลีบักตุบตุๆตๆลงไปหน่อยนั่นแหละเริ่มทีนามิตาแล้วอย่าไปเอาที่ขนาดแหมอย่างนี้เลยเนี่ยมันอภิมหาทีนมิตะอย่างนั้นอภิมหาทีนมิตะแล้ว เข้าใจอถินนิมิตให้ชัดมันเริ่มรีมันไม่มันเป็นปฏิปักษ์สติมันเริ่มไม่ตื่นแต่มมันเริ่มไม่รู้ตัวแจ้งชัดแม้ว่าจะอยู่ทั้งนอกรู้ข้างนอกด้วยรู้ข้างในด้วยหรือตัดพบเข้าไปสู่ข้างในตัดตาหัวจมูกริ้งกายไม่รับรู้แล้วเข้าไปข้างในก็ไปตื่นเต็มอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสติเหมือนกันและเขารับรู้อะไรอยู่นั้นมันไม่หลีไม่หลับไม่ง่วงไม่เงินอะไรหรอกอยู่ในนั้นอนะ่ะ เอาให้ชัดๆเอาต่อเวลาอีกสักห้านาทีมันยังเหลือของเก่าอีกสองนาทีเอาอีก5้านาทีเป็นเจ็นาทีเอาเอาให้ชักเจ๋าเยอะนะสมาธิมันชทบจะไม่เคยไหวมันเป็นสมาธิคันอหมดลวตอนนี้มัน มีอุปสรรคมีอุปสรรคเบญจปางใดก็ไม่รู้คุณจะเป็นยักษ์จำนวนไรก็ไม่รู้ไปกินเลือดเข้ามาตอนนี้เขก็มาทวงเลือดคุณคืนมันเมาเลยขึ้นม า, อมาโอ่งนี้เห็นชัดแลตขึ้นมามันเลือกคุณก่อนนี่บ้าคุณจะเป็นยักษ์เป็นมารมาจต่จะปางไหนไม่รู้ ไปจะได้ดูดเลือดเข้ามาดูดเลือดที่ว่าเนี่ยไปเอาเปรียบเอารับเข้ามาขูดรีดเข้ามาไปดูดเลือดเข้ามาแต่ปางใดไม่รู้ปางนี้ก็เลยเห็นม่าเนี่ยพวกนี้มาเอาคืนเนี่ยหมเนี่ยมาเอาคืนมันเหลือเศษปีบากอยู่เงี้ยพอทนไปแล้วกัน เตกตรวจในแดนนูนะ่นแดนประสีอริยเมตไตรไม่มียุงนะั่นจะไม่รู้นะอาตมาไม่ได้รับรองว่าแดนประสีอริยเมตไตรจะไม่มียุงไม่รู้ได้เอาเรามาคุยกันอีกเล็กน้อยนะไม่ได้มาที่นี่สัก น, นานนะกินน้ำเนี่ยไม่นานมากเท่าไรแล้วก็เดินเดียวเดินเสศษเอง ไม่ได้มา ก, ก็มีเสียงในถูดเดโอภาปราสายราชรอะ ไ, ะไกันอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่ได้ฟังสุ่มเสียงกันอยู่เพราะว่าเรามีทิปเรามีหูทิปนะหูทิปสมัยนี้เนี่ยมันชัดเราไม่สงสัยหูทิปสมัยโบราณ น, นมันก็เป็นหูทิปอย่างสมัยโบราณเพราะเขาไม่มีวัตถุมาก เขาก็เลยสามารถที่จะสร้างนมามธรรมและอยู่กับ น, นมามธรรมได้มากกว่าวัตถุเขามิมีเรื่องจุนจานแม้ศาสนาก็ไม่ต้องวุ่นวายมากมาสมัยนี้เพราะวัตถุในสมัยโน้นมันน้อ ย, มอยไม่มีเรื่องปรุงทางสังขารธรรมที่เขามาสร้างปั่นอะไรมาล่อมาหลอก อ, อะไรอะไรมากมายนะักเพราะงั้นเราจึงมีเรื่องที่จะรั่วไปกับวัตถุธรรมเหล่านั้นน้อยกว่าจิตของเราไม่ใช่จิตของเราจิตของเขาสมัยโน้น เป็นสมาธิได้ง่ายแต่มีสภาพที่จะเล่นจิตมีสภาพที่จะใช้จิตเป็นเป็น อ, อเทศสนาปาฏิหารเป็นอะไรอะไรไปอย่างงาน้นง่ายมีทิบมีตาทิพูทิบแบบโน้นง่ายสมัยนี้จิตมันรั่วไหลมันมีเครื่องจูงดึงมันมีเครื่องที่ล่อหลอกไปมาก จิตของเราจึงไม่เคยเป็นสัมไม่เป็นขบวนไม่เป็นเอกเขตตาได้ง่ายๆถึงได้ง่ายก็ไม่มีแรงพอเพราะมันไม่มีต้นฐานที่แรงเป็นสมถจิตที่สูงสง่งจึงไปใช้ในวิธีการเป็นทิพดังกล่าวนั้นได้ยากแต่เราก็มีทิพที่ทดแทนคือทิพทางวัตถุซึ่งเราก็ใช้ได้นะ อย่างที่ว่านี่แม้แต่เสียงทิพอัตมาพูดอยู่ปฐมโสรได้ยินมาทั้งนี้ใช่ไม่ใช่พูดอยู่ปฐมโสร์ได้ยินมาทั้งนี่ถึงปานฉนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เกิดเข้าเรื่องบ้างนะเราได้ปฏิบัติธรรมมาในอิทธิวิธีต่างๆที่มันเป็นสภาพของธรรม เราก็ได้ปฏิบัติเ พ, พื่อพิสษุนพวกเราได้พิสูจน์อิทธิวิธีกันมามากอิทธิวิธีต่างๆนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่ยังไม่ถึงปรมัทิตย์ก็เข้าใจเป็นวัตถุธรรมปรมาิตย์หมายความว่าเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูป น, นิพพานและเราลองคิดดูซิว่าถ้าเผื่อว่าเป็นอิทธิวิธีนี่มันเป็นเรื่องของปรมาิตย์เปล่า มันเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือเปล่าไม่ต้องเอานิพพานเอารูปจิตเจตสิกอาจิตเจตสิครูปมันเป็นสภาพอย่างนั้นหรือเปล่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเราคิดดูสําหรับอาจมานั้นมั่นใจและแน่ใจว่ามันควรจะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกเหมือนใช่เป็นเรื่องของวัตถุแต่เป็นเรื่องของอิทธิวิธีที่เป็นอภิญญาปานนั้น แต่คนเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจกลับไปกลับมาสับไปสับมาจนกระทั่งท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยภาษาจิตและเขาก็ไปคิดว่าท่านสอนเป็นภาษาสมมติเป็นภาษาบัญญัติตื้นเมื่อเราเองเข้าสู่ภูมิของความสูงสู่ภูมิปรมาธรรมมันก็เป็นเรื่องของจิตล้วน แม้จะใช้ภาษาสื่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าสวรรค์ก็เป็นเรื่องของจิตล้วนๆไม่ใช่มีต้นปริชาติขปแซมไม่ใช่มีสักอโนด่าดอกบัวลอยฟ้องอยู่ในนั้นไปแซมไม่ใช่เป็นจิตล้วนๆเมืม่อเร า, าเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเราจะเห็นจริงม่าอ๋อ สภาพสัจจะที่เป็นปรมัจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต่อมาพูดขึ้นนี่คุณพย า, ายามไตรตรองตามไปตามสภาวะที่เราได้ศึกษา ม, มากล่าวคําว่าสวรรค์เราก็สมมติถูกกล่าวคําว่านรกก็สมมติถูกกล่าวคำว่าเทวดากล่าวคําว่าผีก็สมมติถูกกล่าวคําว่าดินน้ําไฟลมอย่างเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าในวิญญาณเอตภะอาโป ปัตวิจะอาโปจัเตโชวายโยนคาถติเช่ น, นเอตานิี้แปว่าเช่นท่าตรัสว่าวิญญาณนี่มันเป็นของบริสุทธิ์ไม่ใช่ของบริสุทธิ์เป็นถ้าวิญญาณบริสุทธิ์าเป็นของบริสุทธิ์วิญญาณนั่งนี่ถ้สนั่งนั่นตั้งสพโตปัง วิญญาณนันอนิทัศน์นังเป็นของที่ชี้ให้กันรู้ได้ยากขณะนี้อาตมากําลังจะชี้วิญญาณให้คุณรู้ชี้ให้กันรู้ได้ยากอนิทัศน์นังอนันต์ตั้งมันเกิดขึ้นมันอยู่นิรันด์มันไม่นี้รันเป็นตัวอัตานะมันนิรันด์ก็คือวิญญาณมันมีอยู่ในในโลกมันมีอยู่อย่างนั้นแหละตลอดนิรันด์ไม่รู้ที่ต้นไม่รู้ที่จบ มาอยู่ที่โลกลูกนี้ก็อยู่ที่โลกลูกนัน้นมาอยู่ที่โลกลูกนัน้นมีมนุษย์มานามีวิญญาณมีสัตว์ที่มีวิญญาณมันก็มีอยู่ในรันนะอนันต์สัพพโตปรพังสว่างสวัยนะสว่างสวัย้วยประการทั้งปวงสัพพโตปรพังวิญญาณ น, นั้นเอธะอาปทวิจัอาโปจัก โชวาโยโญนค า, าทติใช่ไ่าในวิญญาณ น, นั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยดินก็ดีน้าก็ดีไฟก็ดีมันไม่ตั้งอยู่ณที่นั้นคือวิญ ญ, ญาณไม่มีดินน้มไฟลงอะไรตั้งอยู่ได้หรอกไม่มีใครจะจับดินยัดกับไปในวิญญาณได้ไหมไม่มี จะจับน้ํายัดเข้าไปในวิญญาณได้ไหมไม่ได้วิญญาณย่อมละเอียดกว่านั้นมีจะวิญญาณจะไปอยู่ที่น้ําี่ดินถ้ามันจะวิญญาณเข้าไปสิงได้เช่นแท่งดินแท่งน้ำแท่งนี้ประกอบกันวิญญาณเขาไปอยู่ในนี้นั้นได้เพราะวิญญาณละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้แต่ดินน้ําไฟลมมันเป็นสิ่งหยาบกว่ามันจะเข้าไปอยู่ในวิญญาณไม่ได้ชั้นใดถ้าท่านท่านกลับว่าสวรรค์ เป็นวิญญาณเป็นภพของวิ ญ, ญญาณเพราะความวิญญาณดินน้ำไฟลมยังตั้งเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หน้อยเอาสระอนุดาเข้าไปตั้งไว้ทั้งสระเลยเยาวชนน้ำเป็น H2O อนุเดียวเป็นอนุน้ำอนูเดียวยังเข้าไปทั้งยากเลยนี่เอาสระอนุดาไปทั้งสระหมายลรวบอกใหญ่กว้างซะด้วยนะสนุกกันที่มีภูเขาด้วยแล้วก็เป็นภูเขาเข้าไปอยู่เป็นภูเขาเลยนี ฟังดีๆนะใช้ปัญญาตรองตาไม่ดีว่าเอสวรรค์นรกมันก็เป็นวิญญาณเป็นโลกแห่งวิญญาณแล้วมันจะไม่มีอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อวิญญาณมันไม่ไม่มีตัวตนก็ไม่มีไม่มีสรีระก็ไม่มีเพราะฉะนั้ น, นโลกแห่งวิญญาณสะอาดสะอาดบริสุทธ์นั้นไม่มีหรอกดินน้ำไฟลมก็ไปตั้งอยู่ในนั้นในนี้ไม่มีนะจะไปวัดให้มันสั้นมันยาวก็ไม่มีทีขัจ า, จ, าขจารักสัญญาทีขจรักสัญจา อนุทูลังสุภาสุพังไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีหยาบไม่มีละเอียดมันเกินกว่าจะนับว่าหยาบละเอียดนะเราพูดกันทุกวันนี้เราพูดว่าจิตนี่มันเป็นสิ่งละเอียดนะมันก็พู ด, ดว่าวิหารนะั่นะนะ่ะจะพูดว่ามันหยาบนะมันก็เป็นโวหารแม้จิตคนนี้นี่นโทสะหยาบเอามือไปแตะตองนีสากเลยนะไม่สากอย่างนั้นไม่หยาบอย่างนั้น มันเป็นโมหานธอดันั้นมันหยาบว่ามันแรงก็เรียกได้เป็นคำแทนนะว่ามันหยาบ ว, าายว่ามันร้ายแรงว่ามันรุนแรงอะไรพวกนี้อ น, นุทุรังสุภาสุปังจะดีหรือไม่ดีจิตวิญญาณเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวตนอย่างนั้นมันเป็นสําโวนโมหานไม่จะดีหรือไม่ดีมันเป็นโมหานทีนี้ยิ่งจิตประพัดสอนแล้วจิตแท้ๆ แ, แล้วไม่มีหมด เลยแม้แต่คำว่าดีไม่ดีก็ไม่ตั้งอยู่ในที่นั้นจิตใจมันเป็นกลางจิตี่มันประคัดสอนแล้วนะเป็นถึงปานทิง น, นั้นนะอนอกจากสิ่งนี้อะไรอีก น, นามััจะแล้วคุณบอกนามรูปะนามันจะรูปัญจัก อาศัยสังขปุปรุชติตินะไม่ว่ารูปไม่วันนามถ้าเผื่อว่าเป็นวิญญาณประภัดสอนแล้วไม่เหลือไม่เหลือณที่นี้ไม่เกิดไม่ทรงณที่นี้เพราะฉะนั้นจิตที่ประภัดสรแล้วเดิเกินก่อนจะรู้ดิ่งละเอียดขึ้นมาอย่างนี้ที่ไม่ไม่เหลืออย่างนั้นก็เพราะว่า วิญญาณสัิโรเทนะเอเตตังอันนั้นอัอนแรก อ, อุปรูจติอันหลังอุปรติติที่จริงอันเดียวกันอุปรติติก็เป็นตัวจบเพราะว่าวิญญาณมิโรเทนะวิญญาณสัมิโรเทนะเพราะวิญญาณ น, นี้ได้เพราะฉะนั้น เอเทตังเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิญญาณตังที่กล่าวเอกโ อ, อปุชิติติเอเทตังเหมือนกัน่างที่กล่าวมาจากตนมันยังเป็นวิญญาณนางอนิทัศน์นางอนันตังสะปโตภพังเพราะวิญโยวิญญาณนิสสังโรเทนะมันยังเป็นธาตุรู้หรือธรรมชาติอย่างนั้นบาสํานวนท่านแต่วิญญาณว่าธรรมชาติอย่างหนึ่ง อธิมาแปลอธิมาแปลว่าความรู้และสิ่งในสภาพแต่พุทถึธาตแปลแปลว่าสิ่งสิ่งหนึ่งวิญญาณถ้าแปลว่าสิ่งสิ่งหนึ่งวิญญาณนังอนิยสัจสนตังในาใจคำท่านแปลวิญญาณไม่สิ่งสิ่งหนึ่งบางองค์ท่านแปลว่าธรรมชาติอย่างนั้นนั่นแหละสภาพนั้นแหละสภาพธาตรู้จะเรียกว่าธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติธาตรู้เป็นธรรมชาติธาตรู้เป็นสิ่งสิ่งอย่างนั้นน่ะ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นประพัดสอนอยู่ที่ให้ดูได้ยากเพราะนั้นคุณจะรู้คงคุณรู้เองทีนี้เมื่อเรามารู้จนกระทั่งเรามาสามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นอิทธิวิตีสามารถทำคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้ทำหลายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้มีเป็นต้นมันเป็นเรื่องของนามารราไม่ใช่เป็นคนตัวตนบุคคลเราเขากระมัดจะทำ ทีนีคนมันต้องระบุแล้วว่าคนไม่เป็นคนเดียวคนไม่เป็นหลายคนมันหมาย อ, าอะไรถ้าถึงขั้นเป็นอิทธิวิธีก็มีความสามารถมากที่สามารถทําให้มันเป็นคนหรือเป็นลักษณะของจิตญญนน ว, ตนนวตตญญติญญาณที่อยู่ในมนุษย์เรียกว่าคนเพราะตอนนี้เป็นปรมาจารยต้องเอาจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่อยู่ในมนุษย์เรียกว่าคนคนนี้หรือเรียกว่าปุคลาคนนี้เป็นหลายคน คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้และเป็นอะไรต้องมีที่หมายไม่ได้มาผาหมายพาซื่อเฉยๆว่าทําเป็นตัวตนบุคคลแทนก่อนเฉยๆถ้าเนรมิตรเป็นคนตัว ต, น, ตนแทนก่อนเฉยๆนี่พระพุทธเจ้าจังหวัดทาแล้วแต่ว่าเราเข้าใจกันไม่ได้พระพุทธเจ้าจะมีอิทธิวิธีแน่และท้านอะไรทำที่ยิงท่านทาได้ท่านทำคนเดียวเป็นหลายคนท่านเป็นอริยะบุคคลที่มีจิตวิญญาณเช่นนั้น ปราศจากกิเลสคือลดกิเลสลงได้ท่านทำแก่ตนได้คนเดียวแล้วท่านจะมาให้คนอื่นทำอีกสามารถสร้างเนรมิตพระวสาสร้างให้คนมีจิตวิญญาณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณในนั้นบอกแล้วเป็นหลายคนที่เป็นคนที่มีเป้าหมายคือปรมาจารย์มีจิตวิญญาณเป็นอย่างที่ท่านเป็นนี่มาได้เยะใครจะเท่าท่านโอ้โหท่านเนรมิตไดมาก มาอัตมาก็ว่าอัตมามีอีกิจวิธีตอนนี้อวดอุติริมนุสธรรมอัตมาทําคนเดียวหรือหลายคนก็ได้อัตมาทําตนเองให้ลดละเลิกในจิตวิญญาณในปรัชมาธรรมจิตเจตสิกทําได้วิธีนี้นะทําได้ฮะเป็นกิีวิธีสามารถเลิกละลดได้ฮะเอามาทํากับตนเซ็จเรียบร้อยได้เอามาให้คนอื่น มาสร้างคนอื่นเหมือนอย่างเราเป็นบ้างได้เหมือนกันแนะได้หลายคน ม, มั่งกันแนะจะไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกอย่างไกลกันมากแต่ได้ได้จริงๆนี่เป็นอีกวิธีที่พิสูจนได้ที่เป็นจริงทําหลายคนมาเป็นคนเดียวกันก็ได้โอ้โหนี่ลูกไทยลูกจีนลูก น, ล ก, ออกนี่ลูกสวยนี่ผมนี่ลูกสวยยิ้มเลยไนะ สบายใจเขาว่าลูกสวยก็ไม่อายไม่อายแล้วมารวมกันเป็นคนเหมือนคนคนเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคนมีจิตเป็นอันเดียวกันคือจิตวิ่งเข้ามาหาเป็นปรมาถธรรมอันเดียวเป็นจิตมหานิขกานแต่จิตละลดกิเลสคนนี้ละลดอบอา ย, ยมุกได้เมือนกัน องนี้ก็มีองนี้ก็มีก่อนนี้องนี้ก็มีองนี้ก็มีองนี้ก็มีองนี้ก็มีใบมุกนะหลายอย่างแตกต่างกันไปเป็นการลดลงมาเป็นอย่างเดียวกันปราศจากคนนี้ติดฟิลสมมตินะอย่าตกใจคนนี้ติดบุหรีคนนี้ติดการพนันคนนั้นติดมหรรมการเล่นแปกแตกต่างหลายอย่างมาเป็นคน ไม่มีเหมือนกันนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีได้เหมือนกันไม่หลายคนมาเป็นคนเดียวก็ได้มาเป็นคนไม่มีเหมือนกันนี่ทำหลายคนมาเป็นคนเดียวก็ได้ทำคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้อัตมาอธิบายความเช่นนี้แล้วอัตมาขับพิสูจน์ได้ด้วยความหมายเช่นนี้แล้วก็ผาทมอัตมาภาคภูมิใจ ถ้าใครมาบอกว่าพระโพธิรัชมีอิทธิวิธีสามารถนั่งอยู่บนศาลาในคนเดียวนั่งเศคนก็นมาบนศาลาโอ้โหนั่นนะ่ะหลายคนเป็นพันคนเลยในศาลาเนะี่ยนั่งเศได้งั้นเลยนะนั่งเศ่าเป็นตัวตนเลยเป็นคนมานั่งเนี่ยโมโหพระโพธิรัชมีอิทธิวิธีนั่งเศกันได้ทําทําได้เลยจริงๆเลยใครเอาอาตมาไปคุย ไปคุยให้ผู้อื่นผู้อื่นฟังด้วยเจตนาจีิมุ่งหมายจะยกย่องชมเชยอาตมาขอให้ทราบไว้ด้วยว่าคุณกำลังด่าอาตมาว่าอาตมาคือเดียร์ถีอาตมาคือคนนอกรี่ศาสนาพระพุทธเจ้าคุณหาได้ชมอาตมาไม่แม้คุณจะเจตนาจริงก็ตามแต่ถ้าถ้าใคร ไปบอกว่าพระโพธิทักนิณเจ๋งนะทำคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ทําหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ด้วยในย่าที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ระวังไนมะ้ไปชมไม่ถูกคนหน่ยนะการอวดอวดอวดดั ง, งนั้นบางทีก็มัอนใส้อ้าวเมื่อคนใดพอฟังกันได้พอรู้กันได้พอจะอธิบายพอจะให้เกิดปัญญาให้เกิดรู้กันจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้จะอวดอาตมาบ้างดังกล่าวแล้วก็ต้องระวังบ้างเขาศรัทธาเรื่องใส หรือวถ้าอวดแล้วแต่เกิดผลเออถ้าอย่างนี้เอาแฮถ้าอาจารย์ท่าคุณเป็นอย่างนี้เอาถ้าอาจารย์ท่าคุณนั่งอยู่ในสลาในองค์เดียวสักเดียวก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็แปดเก้ามีโผล่ขึ้นมาหลายคนพันคนเต็มสระถ้าอยานี้เราไม่เอาอ่ะถ้าแน่ใจว่าใจอย่างนั้นแล้วก็จะได้ประโยชน์ก็ลองแสดงบ้างว่าอาจารย์เรามีอิทธิวิธีนะอาจารย์เราทํำได้อย่างเนี้อะเอามา มีอิทธิวิธีของอาจารย์เราสอนใงนี้แล้วท่านก็ทํา่ใงนี้ได้จริงเราเห็นด้วยเราเห็นจริงๆเลยอย่างน้อยที่สุดเราคนหนึ่งแหลเราก็โอโหเจดีของเราก็ให้ด้วยว่าเราก็เลิอกกับใาอย่ามุกมาได้แม้ตอนนี้เรามั่นใจเสด็จเลยอย่างนี้เป็นต้นจริงนะท่านทําได้เราเชื่อเพราะเราก็ได้และหลายคนเพื่อนฟูงเราก็ได้พิสูจน์ไดอยู่นี่เป็นสิ่งที่เป็นอิทธิวิธีที่เห็นได้สามารถพิสูจน์ได้ เอฮิปซิโก้าถ า, าให้พิสูทธ์ดว่าเป็นสว่าขาตธรรมแต่นั่งอยู่ในนี้มีอิทิวิธีข้อแรกนะที่บอกคนเดียวทําเป็นหลายคนก็ได้หลายคนทําเป็นคนเดียวก็ได้นี่ข้อที่หนึ่งนะอิทธิวิธีแต่อ่านด้วยใจพระพิสดกใครมั่งทําได้นั่นนั่งคนเดว้วเสกขึ้นมาเต็มนี่เลยให้พิเศษให้ขณะนี้สหรกกาชกาลังส่ง คนไปที่เรอะไรเ ป, เ, ปเป็นกรนาดานั่นเขาก็ลังส่งไปตายกันเนี่ยขนมาเนี่ยมาทำเป็นธงชาติจอมัยกันคลุมศพ ย, ยกองเป็นอะไรยกลงเป็นวีรบุรุษกันอยู่เนี่ยส่งไปตายกันเยอะเนี่ยเป็นนั่งเสกให้เรกันเลยสิเรกันจะได้เอาไปเป็นทหารหาน เด็ก็ไปตายจิงตายจริงเท่าไหร่ก็ได้ระเศรษได้ดังโหตัวเดียวนั้นนั่งเสกเขาไปทั้งรูปพันพันคนนะถ้าเศรษได้อย่างนี้ก็ไปเสกช่วยเขาหน่อยนะซึ่งเรื่องนี้พูดแล้วชัด ก, กันมากเป็นสว่าขาตา่ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะของท่านควรจะเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ สั ico, iko, นติติโกอกาลิโกเดี๋วนี้ก็พิสูจน์ได้อาตมายืนยันว่าอาตมาพิสูจน์อิทธิวิธีได้แล้วคาสอนของบริจานี่พิสูจน์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ท่านยืนยันว่าอกาลิโกพิสูจน์ได้เ e อยี่สิบสิบโกอาตมาก็ยังท้าทายมาพิสูจน์ด้วยแต่จะมานั่งอยู่ในนี้คนเดียวแล้วก็นั่งเซกเ็ไปเป็นพันคนหรือนั่งอยู่นี้พันคนเซก็เป็นคนเดียวเลยอันนี้สิพิสูจน์ไม่ได้ทา่านมาพิสูจน์ไม่ได้ ใคร ท, า ย, ทายอา ต, ตอมาพิสูจน์หน่สิอยู่ที่ไหนก็ทํากันถ้าทําไม่ได้ก็อากาลิโกก็ไม่จริงแมยุคนี้ก็ทําได้ก็ไม่จริงเลแต่อา ต, ตอมาทายมาพิสูจน์ได้ยุคนี้ก็ได้หนอนี่เป็นลักษณะสิวากขาตธรรมที่อาตมาขอยืนยันถึงอิทธิวิธี ก็ดีอภิญญาก็ดีเป็นเรื่องที่ศึกษาให้ดีถ้าศึกษาไม่ดีแล้วเราเข้าใจภาษาธรรมะที่เป็นปรมาตธรรมเพราะว่าปรมาตบอกแล้วว่ามันเป็นธรรมมาทิฏฐานนะบุคลาทิฏฐานอย่างเวราิชานวิชานะอาตมาไม่ปฏิเสธใครจะสามารถทําได้อะไรอาตมาไม่ปฏิเสธเพราะาอาตมาไม่รู้ไม่เห็นด้วยใครจะไปทําได้เขาก็ว่ากันจริงเลยเช่นสายบาบาไม แกมุกต์หยิบแจกไสบาบาอัตมาดูโทรทั์ด้วยนะวิดีโอเขาไปถ่ายไสยบาบามาออกมาแล้วก็แสดงนิดนี่เป็นคนเก่งขนาดนี้อยู่ในอินเดียอัตมาบอกองคว่าอัตมาเองอัตมาไม่ได้ต้านเลยอัตมาไม่อยากไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยายามที่จะมีใจคิดแต่ว่าไสบาบาเล่นคน เพราะอาตมาไม่ดูถูกคนที่เป็นหมื่นเป็นพันก็นั่งดูแล้วไซบาบาเขายืนเดินไปทั่วไปถึงก็ยิบมาบแจกแจกเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะใครดูก็ไปทีไม่เห็นด้วยตาก็เห็นรูปขนาดนั้นก็เถอะแม้แต่คนไทยเราหลายคนเดินทางไปหาไซบาบาได้รับมาอย่างอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี่ได้แหวนมาวงถต่ใครแต่ใครอีกหลายคนได้อะไรต่อไรมา นัทสมณวัคคโนไปคุยด้วยแล้วคุยอาจารย์พรอาจารย์พรยืนยันว่าไซบาบาเสกใม้ได้แหวนมางวงถือว่ามีบุญนะแต่สซบาบาเสกให้ใครมาได้คนนั้นมีบุญด้วยอาตมาจึงไม่คิดนะว่าดูถูกคนไม่ได้แต่อาตมาเสกไม่ได้หรือแม้ใครจะมาว่าพระโพธิลักษณ์ไปหาสิ ถ้าคุณมีบุญเน่เดี๋ยวท่านเสกอะไรให้ท่นเสกเก่งถ้าใครว่าเช่นนั้นก็ขอบอกว่าผู้นั้นกำลังด่าอาตมาหาว่าอาตมาเป็นเดรัจฉีหาว่าอาตมาเป็นคนที่นอกรีดนอกรอยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชมอาตมาเลย าอตาตมาไม่ได้ภาคภูมิใจด้วยสิ่งอย่างนั้นอตาตมาเคยเล่นลิฟตเต้นเดตอะไรไปทางอํานาจของจิตบิดบ้างไม่ได้เก่งเท่าไส้บาบาเลยอตาตมาก็รู้อยู่ว่าเออมันก็ไ่าจะเป็นไปได้ท่ามกลางการทกันอย่างมากมายเพราะฉะพูดกันเล่ากันมาตั้งแต่โบราณกาลมีพลังจิตเก่งกล้าเอาไปใช้อย่างนั้นอตาตมาไม่เข้าใจอตาตมาตับรอบไปสำเร็จเสร็จ ถอาตมาไม่ต้องข้องใจถ้าอาตมาจะเก่งอย่างนั้นอาตมาก็จะมุ่งมันเอาอย่างนั้นแต่อาตมาเบื่อเหมือนพระพุทธเจ้าจังเบื่อท่านตรัสแล้วว่าทังอัตยามิภรายามิชิกุชามิจกลับแล้วว่าอิทธิวิธีก็ดีอาเทศนาก็ดีไม่ใช่อิทธิวิธีปาฏ อิที่ปฏิหาร็ดีอเทศนาบปฏิหาร็ดีเราอัตยามิรายามิจิกุชามิแปลได้ความว่าเราไม่ชอบใจเราเบื่อเราเบื่อเราเกลียดชัง ท่านตรัสอย่างนี้จริงๆเราไม่ได้แกล้งพูดในพระบลีในพระธปิโก ม, มีชัดๆอยู่ในเครพระตสูตรนั้นถ้าไม่เอาอท่านตรัสอย่างนี้แล้วเป็นทุกขกอดแล้วนะไม่ใช่ขออภัยเป็นสุภาษิตแล้วท่านตรัสไปดีแล้วสุภาษิตแปล ว, ว่าท่านตรัสไปดีแล้วผู้ใดไปพูดผิดผู้นั้นทุก พาสิผู้นั้นไปพูดพระพุทธเจ้ารัดไปดีแล้วไปพูดให้เลวแล้วท่านสอนอย่างนี้นะไปพูดดังนั้นนะมันเลวแล้วไม่ใช่สุภาษิต ต, ตามขอา้อไทยพูดตามพระพุทธเจ้าจัดสิอย่าไปพูดแย้งพระพุทธเจ้าจัดใครพูดแย้งพาสิท์แปลว่าคำกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าท่านกล่าวแล้วตรัดแล้วสุขด้วยดีแล้วดีดีด้วยแต่เราจะไปพูดผิดแย้งกันตรับ ก, กันพูกนั้นทุกภาสินี่คือความผิดอาบัติในทุกภาสิแต่เราไม่เคยเข้าใจกันเสียแล้วทุกภาษิก็หวาไรไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัดไว้ดีแล้วเป็นสุภาษิทเป็นคำดีเป็นคำกล่าวที่ดี คำกล่าวอันนี้เป็นคำกล่าวที่เราต้องเข้าใจเออท่านกล่าวท่านตรัสไปดีอย่างนี้นะและเราก็อย่าไะค้านแยง้งไม่อยา่าเป็นผููที่มันผิดตามที่ท่านตรัสถึงสอนและท่านตรัสอย่างนี้จริงๆอาตมาก็เห็นจริงเห็นจริงอาตมาเองเราเบื่อเหมือนกันจึงได้เลือกมา ถ้ามันไปหลงอยู่อีกมันก็คงจะขมีขมันป่านนี้ก็คงไปนั่งเล่นอะไรอะไรอีกเยอะแยะนะแต่มันอาจจะเก่งขึ้นไปอีกไม่มีปัญหาแต่มาไม่สงสัยไม่ขล่องใจบอกแล้วแต่มันไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเพราะฉนันกลับมาดูอิทธิวิธีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่กล่าวนั้นแต่อิทธิกาที่กล่าวแล้วว่าใช้ภาษาโลก ใช้ภาษามนุษย์เป็นภาษาวัตถุด้วยซ้ําแต่หมายถึงธรรมหมายถึงนามธรรมหมายถึงปรมัตาหมายถึงธรรมะจิตฐานเป็นบุคลาหรือบุคคลด้วยนะเพราะบุคคลที่พิสูจน์ได้จริงเป็นคนจริงนพิสูจน์ได้มีจริงในบุคคลแต่เป็นเนื้อหาของปรมัตาเพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นหลายคนก็อยู่ที่เนื้อหาปรมัตาว่าเป็นคนทรรยาลบได้จริง เป็นคนที่มาสู่เป้าหมายที่เราหมายเราเรียนรู้เพื่ออะไรพละนายคลายเพื่อรู้อริยสัจเห็นเพื่อรู้ทุกข์รู้เหตุเหตุทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ความอยู่เหนือความดับทุกข์หรือรู้ทางใ้ความดับทุกข์อย่างนี้สิเป้าหมายเพราะฉะนั้นผู้ใดจะไปทุกข์อยู่กับไอเรื่องไม่น่าทุกข์ในโลกต่ำๆคุณก็ดับโลกนั้นเสียเลื่อนขึ้นมาหาโลกอื่นที่ดีกว่า เรียกว่ามาสู่ปรโลกที่ดีจะเรียกว่าไปก็ตามผู้ใดได้แล้วก็มาผู้ใดยังไม่ได้ก็ไปไปสู่ปรโลกผู้ใดยังจมอยู่ในอบาลโยโลกดับอบาลโยโลกซะขึ้นสู่โลกอื่นเรียกว่าปรโลกหรือโลกหน้าที่คุณยังไม่ไปหน้าเลยเป็นจาดิ่งอยู่ในโลกเก่านั่นเนี่ให้ขึ้นสู่โลกหน้าหรือโลกอื่นปาราโลก ปารานนี่เขแปลว่าอื่นมากกว่าหน้าเลยซ้ําปรอ โ, โลโกโลกอื่นโลกหน้ามีจริงนะดิฉันจมาพามาสู่โลกอื่นหรือโลกหน้าจริงขึ้นมาบ้างแล้วคุณขึ้นจากโลกอบายมามาอย่างขึ้นมาแล้วครับก็ขึ้นมาสู่อีกโลกอื่นทีสู่ปาราโลกนะ เมื่อมั่นใจว่าโลกนี้เราเลเิกเถอะเราจะไปเปลียนวนดับโลกนั้นเสียสนิทแล้วเราก็สู่โลกอื่นที่ดีกวา่าโลกอื่นที่เรายังไปไม่ถึงอีกพยายามพ้นโลกนี้ขึ้นไปสู่โลกอื่นอีกขึ้นไปเป็นชั้นชั้นชนชั้น ช, นชนัสามารถที่สูจน์ใโลกอื่นโลกหน้าอย่างนี้ได้ได้จริงๆริเอฮิปสิโกท้าทายมาพิสูจน์เชื่อไหม กำลังคิดนี่รู้ว่าจกจะคิดตอบเล่นอย่างสารีบุตรสีไหมแต่เสร็จแล้วก็บอกว่าเอ๊อยากละนั่นเลย <c oughs> เพราะว่าเราก็มีจริงประเดี๋ยวจะโดนย้อนสอนก็ <c oughs> เ, เลยตอบว่าเชื่ อ, <c oughs> อ <c oughs> เพราะว่ากำลังพิสูจน์ตามกำลังตามเรื่องนี้ประเดี๋ยวบอกไม่เชื่อจะย้อนสอนก็ไปไม่คิี้ตอบอะไรประเดี๋ยวก็จะบอกตายแล้ว สารีบุตรน้อยโดนย้อนสอนก็นเลยรีบตอบไปเชือ่อนะเพราะเรารู้อยู่แล้วอย่างนั้นจะมาเล่นลิ้นมากเพราะว่าที่ถามมันกือที่ถามไปที่มีแล้วยังจะมาเล่นลิ้นอีกเดี๋ยวก็สารีบุตรน้อยตรงนี้เดี๋ยวก็ตรงนีนะ้นี่มันต้นพนะรพิสูจน์ได้คุณยังไม่แปรพิสูจน์คุณได้แต่ฟังคุณได้แต่คิด ก็มาลองไสิสูืบดูซิว่าโลกหน้าเป็นอย่างไรไม่ใช่โลกหน้าอธิบายไม่ได้ไม่ใช่โลกอื่นอธิบายไม่ได้อธิบายได้อัตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่อธิบายได้ชี้โลกนี้โลกหน้าให้รู้ได้ให้รู้ยิ่งตามได้แต่ที่ท่านตัดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิข้อที่สิอัตมาเป็นสมณนะอย่างนั้นในอวนกับพวกเรานะใครอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากก็ บอกเนะไม่เดกแกล้งไม่อยากยกตนรอบแต่ประกอบคำอธิบายยืนยันยืนยัดกับพวกคุณในยะอย่างนี้ที่อธิบายที่พูดกันในโลกสมัยนี้มันไม่เชื่อกันเพราะงั้นเมื่อพูดถึงสว่าขาจะทำจึงพยายามที่จะซี้ยืนยันยืนยัดกับพวกเราอย่างมั่นอบันใจแม้จะ่อิทธิพิธีเอาขึ้นมาประกอบการอธิบายเพื่อเห็นเด่นชัดเพียง เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวไปแค่คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวคนได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็เข้า<ๆ>ใจในัยยะอันลึกซึ้งวินัยสุสีจิตโตศึกษาในอัยยะละเอียดเป็นวินยัยเป็นอรหะเป็นอริยะวินยัยเป็นนยะของอริยะเราพยายามศึกษาดีเป็นอภิเป็นอภิ อภิธรรมอภิปัญญ า, าเป็นปัญญาขั้นอภิปัญญาที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องลึกซึ้งเมื่อมีธรรมะเป็นอภิธรรมอยู่ในตัวแล้วเราจะจับแม่นเลยถ้าคุณมีแล้วยิ่งฟังโอชัดอย่างนี้ชัดพิสูจน์ได้โออย่างนี้อกาลิโกปจตังเวทิตโพวินยูหิ ท่านพูดอยู่ของท่านน น, น่ะแต่เรารู้ที่เราโอ้ประจตังฉลาดน้อเราในที่ตฐโพวินยูเป็นบัณฑิตเสเองเป็นบินยูชนเองไม่ใช่คนนั้นมาแต่งมาตั้งไม่ใจะต้องไปได้ใบประกาศสนียบัตมาจากใครให้ไม่ต้อเป็นเองเป็นจริงมีจริงรู้ยิง่งเห็นจริงในตน รัตธรรมะไดเ้เรานี่แหละควรมาพิสูจน์ด้วยตนอากาลิโกแม่เดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกถ้าให้มาพิสูจน์ได้เรียกร้องให้มาดูได้มาดูสิมีของจริงแม่เดี๋ยวนี้โอปัยิโกเป็นของสูงเป็นของลึกซึ้งไม่จะเป็นของดื่นดาดพื้นถามจริงๆเถอะท่านนี่เป็นพระอาัารตุกกา เคยได้ยินเขาสอนมาคันหรือไม่ว่าการเหาะเหินไม่ใช่การเหาินการหายตัวการแยกตัวเหาะเหินเดินอากาศดำน้ำําดําดินน้ำปูไปเยอะๆหน่อยก็ อ, อยู่ในวิธีวิธีทางนั้นถ้าจำเรียนมาใช่ไหมเคยเข้าใจมาไหมว่าสภาพที่เคยเข้าใจว่าเออถ้าเขาบอกว่าเหาะก็คือลอยก็เนไนบนฟ้า ตัวคนเดียวแยกเป็นหลายคนได้ก็คือคนคนนึงนี่โอ้โหเสกขึ้นมามีหลายหลายคนได้คุณเข้าใจมาอย่างนี้แต่ก่อนนี้เคยเข้าใจอย่างนี้ไหมไม่ใช่เข้าใจว่าตัวจริงๆนั่งโดๆยๆเนี่ยแล้วก็เสกให้เป็นอย่างนี้เหาะก็คือว่าเออถ้าเหาะด้วยได้ เดินบนน้าได้ก็เดินน้ำมันก็ําไปบนบน้านแข็งกลายเป็นนําแข็งแข็งนี่เลย ด, ดําดินกับมุดปุ๊บก็ไปใต้ดินแล้วก็ขายไปกับโผลที่โน่นอะไรเงี้ถ้าลกภูเขาก็เดินอยู่ที่นี่ก็ผ่านไปอยู่ข้างฝากฝากระโนนภูเขาเลยอย่างงี้เข้าใจไหมและคนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนนี่เคยเข้าใจอย่างนั้นไหมทะลุภูเขาไปอย่างนั้นจริงๆเลยแต่ก่อนเนี่เคยเข้าใจอย่างนั้นไหม ห้าพันปีที่แล้วมีคนเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคุณคิดว่าเข้าใจอย่างเงี้ยง่ายๆมลูกชั้นเดียวอย่างเงี้ยความหมายมันเดินทะลุภูเขาก็จากนี่ทะลุไปฝั่งโน้นเลยนี่คุณเคยเข้าใจครับคุณเข้าใจอย่างนี้แต่เคยเข้าใจอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมห้าพันปีที่แล้วมีคนเคย 10, คเข้าใจอย่างนี้ไหมหมื่นปีที่แล้วมีคนเข้าใจอย่างนี้ไหมเหาะก็คือลอยขึ้นไปบนฟ้านี่เลยเหาะร้อยตัวแาบนี้เลย เคยเข้าใจอย่างนี้ไหมเขาเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้นี่คุณว่าผมเข้าใจมาอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ผมก็เคยเข้าใจอย่างนั้นน่ะผมก็เคยเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นคําสอนอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยพระสมมาสมาพุทธเจ้าปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าหลอกจะประคุณเนอะที่สาธุที่หมาไหนก็สอนได้ ใช่ไหมนั่นหรืออิทธิบินีนั่นหรืออภิญญาอภิญญาแปลว่าอะไรคุณรู้ไหมอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งนี่มันความรู้เย่หๆนี่ใครมันก็รู้ได้รู้กันมาร้อยปีพันปีอย่างที่ว่าแล้วหมื่นปีแล้วด้วยต้องอาศัยพระปัญญาที่คุณอะไรของโมบูติจ่าต้องใส่สัพพัญยูทําไมฟังให้ดีเพราะฉะนั้น ความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นนะปุถไม่ต้องศึกษาแล้ศาสนาพุดง่ายจะตายอคอภิน ญ, ญาก็ง่ายจะตายแล้วเขาเข้าใจมาตั้งตีมะโวแล้วล่ะลุงเอาผู้หญิงมากๆกับปีมะโวแล้วล่ะป้าไอ้อย่างนั้นใครก็เข้าใจเนี่ยคนเราลูศาสนาลูความรู้สัพพัญญูพระพุทธเจ้าที่ตักรู้อภิน ญ, ญาเหล่านี้แต่ที่ผมอธิบายเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจ ลึกซึ่งกว่าเมื่อกี้ไหมฟังได้ใช่ไหมลองมาพิสูจน์ดสิผมทา้าเป็นของยากกว่าใช่ไหมยากกว่าไหมอันไหนยากกว่ากันเอาไหมเอานี้ถามนี้ประเดี๋ยวจะบอกว่าเอเอเขอได้มันก็ยากเหมือนกันนะมันตอบยาก ถาตรงๆเอ๊ะทำให้แยกตัวได้เป็นหลายตัวเป็นตัวๆที่ว่าเนี่ยนะผมจะสอบภูมิคุณลวันนี้ใาพระคันภีร์ด้วยกับสามารถที่จะมาทําให้คนให้ตัวเราเองเป็นอย่างนี้แล้วสามารถไปทําให้คนอื่นละลดกิเลสกันที่ว่านี่เป็นโลกจากโลกอบายขึ้นเป็นโลกที่สูงขึ้นมาพ้นอบาย มาเป็นโลกมีกา ม, มกามาจะกามาโลกนะกามาโลกมีโลกแห่งกามาคุณดูปลด ก, กินเสียงสบัดติดอย่างเนี้พ้นออกมาจากโลกกามมาสู่โลกที่พ้นสะอาดขึ้นมาได้อีกถ้าความรู้อย่างนี้กับความรู้เป็นนั่งปั้งเป็นตัวตัวตั ว, ตวหลายตัวขึ้นมานี่คุณว่าความรู้อันไหนสูงกว่ากันเป็นความสูงความควรที่คุณจะได้สอบผูกเราเนี่ ไม่รู้จะต่อไหมคจะเอาไหนจะเลือกเอาวิชาการไหนวิชาการเป็นนั่งแล้วก็แม่ทำหลายตัวได้นี่เต็มสลาเลยในตัวเราคนเดียวมันนั่งเข้าไปเสกไปเสกไปอิทธิฤทธิเสกหลายตัวเต็มสลานี่เลยเป็นคนตัวตัวตัวบุคคลงี้เลย แต่ละตัวแต่ละตัวเหมือนกับคุณเท่านั้นเขาอธิบายไว้ในนั้นละเอียดอีกนะแต่ละตัวแต่ลตัวเหมือนกับเราด้วยมีสแสดงว่ามันเหมือนด้วยในนั้นาตาเหมือนกันไม่รู้จะชี้องค์ไหนเหมือนองค์ไหนเลยอะไรเงี้ยด้วยซ้ำกับทําให้แต่ละคนแต่ละคนนี่ลดกิเลสมาได้เหมือนเราเหมือนจริงๆด้วยกิเลสมันหมดในโลกบายดับดับเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่มีเในแต่ละคนที่ดับโลกบายแล้วเหมือนกันจริงๆด้วยความหมายอย่างนี้ กับความหมายอย่างนูดคุณชอบความหมายอย่างไหนคุณจะเอาภูมิอย่างไหนคุณจะเอาความรู้อย่างไหนอยากได้อย่างไหนถามใจคุณดูไม่เอาอะไรเลยคุณก็ไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเอาต่อไปอ้าวผมถามท่านนี้ดูอยากได้อันไหนอยากได้ลถละขึ้นสู่ภูมิจิเลอบายรถอย่างนี้นะ องนี้อยากได้นี่เลยมาพยายามเองนี้เลยได้องนี้แต่คุณยังไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินเลยคุณก็กลางๆอยู่คุณก็ยังไม่ได้อะไรคุต้องเอาอะไรอันหนึ่งไปติดติตัวสมาธิฐิอย่างนี้จะเอาอันนี้เจอเห็นอย่างนี้ดีเอาอันนี้เห็นไอ้ที่บอกว่าไอ้มันนั่งตัวอยู่กลางสลาในเกษตรกข้ไปเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้เป็นตุวตๆวตัวตัวเลยเนี่ยผมจะบอกแล้วว่า พาไปให้เรีย ก, กันน้อยอยากได้หลายๆคนถือปืนไปหัดเป็นทหารก็ก็ได้ไปโน่นน่ะไปฆ่าเขาก็ตายกันอยู่นี่น่ะเป็นเบื่อเลยไปช่วยเขาน้อยจะหักเสกได้อย่างงั้นก่อนแต่แบบนี้ไม่ได้เสกอย่างนั้นแต่เสกให้เป็นคนที่ลดกิเลสลดโลกอบายลดโลกกามลดโลกกระทั่มแปดยังนี้ที่นี่เสกนี้ลดนี่ทาอย่างนี้กันมานี่อย่างาได้นั่นน่ะได้อย่างนี้ไหมยอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าอ่า ไม่เอานั่งเสกเอาตัวโตๆเหมือนอย่างคุณนี่เลยเสกมาเป็นสักพันคนนี้แล้วส่งไให้เรกกันนี่ไม่เอาอย่างวะเนีะ่ะไม่เอาอ่ะอ่าฉันได้มันเลือกเอาอย่างนี้อันไหนสูงเอาวันนี้ก็อันโน้นไอ้เสกเป็นตัวๆก็ไอ้เสกเอาให้มันเป็นคนหมดว่างไม่เหมือนกันเนี่ยต่ากว่าเสกเป็นตัวตัวต่ากว่า ผู้ที่เข้าใจได้ทิฏฐิชัดเจนว่าอันนี้เป็นของสูงโอปัญิโกหมายถึงของสูงเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเข้าใจ อ, อันนี้สูงกว่าไม่เอาอันนั้นอันนั้นต่ำเราจะเลือกเอาอันนี้ถ้าสูงจริงๆด้วยเพราะว่ามันเป็นความสูงความยิ่งของมนุษยชาติที่พึงได้พึงเป็นเห็นเข้าใจด้วยปัญญารู้ว่าอันนี้เปรตกว่าไม่เอาอันนี้ ไม่ง่ายเป็นของสูงจริงไม่ง่ายนะผู้ได้จึงเป็นผู้ น, าน่าเคารพบูช า, เ ป, า เ, เป็นปาหุ่นเนยยบุคคลเป็นปาหุ่นเนยบุคคลเป็นพักกินเนยบุคคลเป็นคนที่ควรอัญเชรีจริงๆนาเป็นโอปัญิโกมันต้องเข้าใจด้วยปัญญาอันยิง่งแล้วก็เลือกเป็นเห็นแจ้มีสมาธิิและมาทำ ง่ายนักยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งยากโลกอบายอาจจะง่ายกว่าเพราะเป็นโลกต่ำที่สุดพอสูงขึ้นไปแล้วยากขึ้นยาขึ้นจนกระทั่งร้องโอยร้องโอยกันในหลายคนชักติดเพดานบินเอ๊ชักทะลวงเพดานบินไม่ค่อยขึ้นทะตอ น, นี้ตึง้งมันไม่อยู่ขึ้นตึง้งก็ไม่ขึ้นเพิ่มเพดานบินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามกันแล้รู้ว่าของสูง พอยิ่งมาถึงฐานที่สูงขึ้นแล้วเราเองก็แม่ชักจะมีวาสนาบารมีชักจะเต็มจากเดิมเดิมมีทุนมากๆหน่อยก็ชักจะวินได้ง่ายถ้าไม่ใช่จากก่อนแดกๆครับพดานบินมันของเรามันสูงกว่า น, นี้จริงๆนะมาปฏิบัติไอ้โลกตืต่น ง, ง่ายๆก็ชักจะง่ายพอมาสูงขึ้นสูงขึ้นก็ชักจะรู้ว่าโอปัญิโกโอปัญิโกแม่ดอกฟ้านี่หมาวัดชจะไม่เคยไหวแล้วนะ อดอกฟ้าในมหาวัตจะเอื้อมาให้ตนไม่ค่อยได้แล้วนะเนี่ยฉันจะไกลไกลๆกลไกลขึล้นเลยถึงอย่างนั้นดอกฟ้ามหาวัตก็ต้องเอาอย่าไปบรรดายให้คนพอแทนพระพุทธเจตัดไม่ดีแล้วสวากาจะทําำมาเป็นโอปัญญก็เป็นของสูงที่ควรเอื้อมเป็นดอกฟ้าที่มหาวัตต้องเอาพยายามแต่อย่าพเพย์ยอะมากเกินไปนะักเอาดอกฟ้าดอกต่ำต ำ, ตำก่อนที่ใกล้เรา เราเองพอคว้าดอกนี้ได้เอาดอกต่ากว่าอย่าไปเอาดอกสูงเกินเอื้อมเกินไปนักมันท้ามขันแล้วมันก็จะท้อแท้แล้วมันก็จะไม่ได้เรื่องและมันก็ไม่ได้ง่ายดยอย่างนั้นนะเพราะงั้นกเอื้อมให้ถูกลาดับต้นกลางปลายที่พระพุทเจา้าท่านสอนให้มีเบื้องตน้นตรงกลางมันปลายดูตัวดูตัวนี่เหมาะสมกับฐานแล้วเราก็จะได้เป็นโอปัญญโกเป็นปัจจัตังเวทิตถโทวินยูหิ เดี๋ยวนี้เราก็จะสามารถที่จะยืนยันสว่าขาจะทำของพระพุทธเจ้าได้อยู่แม้ท่านอิทธิวิธีแม้ขันธิญญาณ ด, ดังนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นจริงว่าสภาพธรรมะมีจริงเป็นจริงและที่อธิบายเป็นนี้ถ้าใครฟังด้วยดีมีปัญญาก็จะรู้เห็นว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้านี้ประเสริฐอ่า และก็ดียิ่งจริงๆเพราะาการปฏิบัติประพฤติเพื่อสู่สภาพที่แม้อภินัยญญอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษย์แต่ไวยะเป็นวินวยะสุสิกิตโตพยายามศึกษาให้ดีเพราะเป็นไวยะอันยิ่งเป็นอริยวินยัยไม่ใช่วินยัยธรรมดาเพราะในในอริยวินัยท่านบอกว่า คนอย่า ง, ง น, นั้นโทนี่ท่านสอนไว้เยอะในะอริยวินยัยก็คือวินยัยที่มันเป็นความฉลาดทิฏฐะเป็นสภาวะที่เป็นธรรมะจริงๆคนเป็นข้ากล่าวนี้วันนี้ได้ศาจญาในเรื่องของความหมายและผู้ใดมีสภาวะรองรับก็จะเข้าใจลึกซึ้งตามภาษาที่สื่อแทนเท่านั้นสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวภาษาแต่ภาษาที่สื่อแทนแม้จะเป็นภาษาของวัตถุธรรม เราก็เข้าใจสู่สภาพทำนั้นได้อย่างแท้จริงอย่างตื่นตื น, ตนมาลุกชั้นเดียวนั้นเราก็เข้าใจได้แต่เราไม่ได้มุ่งหมายเอาอย่างนั้นดังกล่าวแล้วเวลาพวกเ้าใจถูกเป็นสมาธิจึงปฏิบัติถูกและมีผลรองรับผลจุดิร จ, จริงเข้าสู่คันลองของพระอริจ้าจริงสำหรับวันนี้ก็ขอเอวังลงแต่เพียงตรงนี้